เราก็ข อ, ขอโมโนธรรกับพวกเราในช่วงบ่ายเนี่นี่แเวลาก็ไล่เข้ามาพอสมควรเราต้องการที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้ศึกษาคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้การศึกษาคําสอนของพระบรมศาสดานเนี่ยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทาความเข้าใจอ ย, อย่างหนึ่งก็คือการศรัทธานในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นต้อชัดตรงนี้นะ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 อย่างไรบา ร, รมีสามสิบทัศเนี่ยที่พระองค์ทรงบําเพ็ญมาเนี่ยถามว่าการกระทํามาหรือการการบำเพ็ญบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าที่ทรงบําเพ็ญมาเนี่ยที่บอกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงสละทรัพย์บุตรชายาแล้วก็อวัยวะและชีวิตเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกแล้วก็บําเพ็ญบา ร, รมีสามสิบทุน แล้วก็โพธิปักจียธรรมมันหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้ให้บริบูรณ์แล้วทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิยานันบริสุทธิ์ที่ให้พระคุณทั้งสิ้นทรงเป็นผู้ประเสริฐในโลกทั้งสาคือกามาภูมิลูกภูมิและอารมณภูมิทรงกระทําที่สุดแห่งทุกแล้วทรงเปื้องหมู่ชนผู้กระทำกรรมกรรมที่งามไว้ออกจากทุกแลในคํานั้นคําว่ายโยนีก็แปลว่าพระองค์ใด เป็นคําที่แสดงถึงเนื้อความที่กําหนดไว้อย่างแน่นอนคือผู้ใดนะีคือผู้เช่นใดเป็นคําดําหรือคำเป็นคนดําหรือคนขาวอย่างนี้เป็นต้นท่านขยายความอีกคำหนึ่งคําว่าโลกัถายะเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกโลกัถายะก็คือเพื่อสําเร็จแห่งประโยชน์สุขของสัตว์ทั้งหลายนั่นคือชาวโลกคําว่าพุทธโธนั้นคือพระพุทธเจ้า ก็คือพอระมหาบรุษคนหนึ่งพระมหาบรุษคนหนึ่งคือใครคือท่านผู้แทงตลอดทำทั้งปวงคําว่าแทงตลอดทำทั้งปวงนั้นคือตัวสภาวะนะที่แทงตลอดทำทั้งปวงนั้นการแทงตลอดทำทั้งปวงนั้นมาจากอาราธมาราธผลแต่หลังจากอาราธมาราธผลแล้วเนี่ยดับไปแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดสัพพัญญตญาณ ที่เรียกว่ามหากริยาญาณสัมบุญอสังขาลิกนั่นแหละที่เป็นสัพพยุญตญาณเพนานาวรณญาณที่สามารถแทงตลอดทำได้ทะลุทะลวงและทั้งปวงส่วนคําว่าทนังนะเนี่ยแปลว่าทรัพย์ทรัพย์ในที่นั้นได้แก่สาวิญญาณกทครั์มีช้างมา้าแล้วก็ทาสหญิงทาสชายเป็นต้นตลอดถึงทรัพทั้งหลายที่เกี่ยวกับในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายในะเรียกว่าสากวิญญาณกะครั์อีกอย่างหนึ่งก็คืออาวิญญาณกทครั์ มีแก้วมุกดาแก้วมณีเงินทองเป็นต้นเนี่ยนะสุตะสุตะบทว่าสุตตะคือบุตรได้แก่บุตรและก็ธิดาทั้งหลายภริยาก็คือชายาได้แก่ชายาผู้ร่วมเกี่ยวข้องกันด้วยกิเลสคาว่าอังคะเคลออวัยวาได้แก่กัยวามีมือมีเท้ามีหูมีจมูกมีวัยวาน้อยใหญ่ทั้งสิ้นในสรีระในร่างกายทั้งสิ้นนั่นแหละเรียกว่า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 ท่านังคือทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นสาวิญญาณนักทรัพย์ทรัพย์มีช้างม้าทาตหญิงธาตชายเป็นต้นอาวิญญาณนักทรัพย์มีแก้วมุกดาแก้วมณีและเงินทองตลอดถึงราชบรรลังทั้งหลายสุตตะคือบุตรได้แก่บุตรและธิยาบุตรและธิดาทั้งหลายที่เคยให้มาอย่างนับไม่ได้ภริยาคือชายาได้แก่ชายาผู้เกี่ยวข้องกันด้วยกิเลสอังคะเกลวัยวะมาพูดถึงตาหูจมูกริ้นกายของพระผู้เมียพระภาคเจ้าตอนสมัยเป็นพระโพธิสัตว์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 คำว่าปารมีโยบารมีวิเคราะห์ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปคือย่อมดําเนินไปสู่ฝั่งคือพรนิพพานด้วยปฏิปทาเหล่านั้นว่าเหตุ น, นั้นปฏิปทาเหล่านั้นชื่อว่าปารมีหรืออีกในาย่านหนึ่งที่เคยกล่าวไบ่อยว่าเหตุที่ให้บรรลุบรมธรรมเหตุที่ให้ถึงบรุษธรรมปัจจัยหรือปฏิปทาที่ให้เข้าถึงบรมธรรมนี่แหละเรียกว่าปารมีติทัศนก็คือ30 ส, สทุน่นตยโยทัะเพราะเป็นทิคุเขาเรียกว่าทิคุสมาร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 ตานมันคือตาเราเนี่ยตามเรายึดยังไงอ่ะยึดตายึดไงจากครู菩萨เนี่ยยึดยังไงลองเอายึดในฐานะสี่ลงาฐานะญาให้บางทีใช่ไหมเอาจากขครู菩萨นั้นเป็นอะไรจากประู菩萨กับเราเนี่เป็นอันเดียวกันใช่ไหมเออจากครู菩萨ไม่ว่าจะสัมภาระจากขูหรือตัวจากขู่ก็แล้วแต่เหอะถ้าจากขครส菩萨ก็คือนั่นแหละความใสที่สามารถรับรูบารมณ์ได้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 แล้วมันขุดมิจฉาทิฐีนี้ไม่ออกเนี่ยในที่สุดจริงจิงเราศึกษาวัฒธรรมของบุครลมศาสดาศึกษาไปศึกษาไปในตัวจริงจรงก็เอาความเห็นเรเด็กไปแทรกไแทร ก, กอยู่นั่นแหละมันไม่เคยศึกษาไปตามพระธรรมคําสอนสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าตอนนี้มันคิดไม่ได้มันคิดไม่ออกมันคิดไม่ถึงมันคิดไม่ทะลุทะลวงมันไม่สามารถจะแหวกม่านของมิจฉาทิฐีไม่สามารถที่จะปรา ด, ด่านของโรคชัดคือมิจฉาทิฐิไม่สามารถจะเป็นขึ้น จะเหวคือมิจฉาทิถีไม่สามารถจะฝ่าดงกันดาอยู่มิจฉาทิถีไม่สามารถที่จะฝ่าเอา่โรกชัดคือทิถีเป็นต้นนะมันฝ่าออกมาไม่ได้มันก็เลยใช้มิจฉาทิถีคิดพอคิดกันมาแล้วมันก็ไม่ศรทธาหรอกมันจะมีศรัทธาประเภทที่ว่าอะไรมิจฉาทิโมก็ได้แค่ศรัทธาเคียมมือมันไม่ได้ศรัทธาแท้สะทีเลยอ่ะเมื่อไหร่น้อยศรัทธาแท้จะเกิดขึ้นในกมลแสันดานของเราท่านทั้งหลายใช่ไหม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 ถ้าใส่อย่างนั้นที่ลองไปกลับดูคุณของพระเจ้าแต่นี้มันจะเชื่ออย่างที่ไม่นะเพราะมันรู้อะไรตอนนี้ว่าโอ้ยอเป็นเพราะอย่างนี้เองเพราะ อ, อใจของเรานี่มันมีม่านตาเยอะมากมันก็มองไม่เห็นคุณของพระบระมะศาสด า, า, าอย่าแปลกใจนะท่านยั้งหลายอย่าท้อถ้าคิดแล้วมันไม่เห็นคิดแล้วมันไม่ออกคิดแล้วมันก็นั่งได้แค่ น, นี้ยนะเดินวนวนวนวนว น, ว น, วนอยู่มันก็ไม่เห็นคุณของพระบระมะศาสดาเนี่ยอย่าไปท้อสักวันหนึ่งให้คิดอย่างนั้น วันหนึ่งเราจะต้องได้ศรัทธาที่แท้จริงเราจะฝ่าฟันในโลกชัดพื้ทิศทีเนี่ยนําศรัทธามาเป็นเพื่อนให้ได้เราจะพยายามขาจัดอิมิชชาทิฏฐิออกไปขจัดตัณหาออกไปเราจะไม่คบกับตัณหาอีกแล้วเราจะคบกับศรัทธาที่มีตถาคตตโพธิศรัทธานเนี่ยนะลองตั้งอย่างนี้จริงๆดิมันจะไปได้ไหม <c oughs> ใช่ไหมเพราะตอนนี้เราพูดพูดไปมันมืดใช่ไหมมันมองไม่เห็น มันเอื้อมไม่ถึงมันเกินวิสัยไม่แปลกใจหรอกเราก็คือบุรุษขี้ขาดคนหนึ่งเท่านั้นเลงเนี่ยที่พอคอก็พาลนาว่าแม่น้ํามาส ม, มุนมันลึกมากกว้างมากบอกเอาซิไปตักน้ํามาเราก็มีตะกร้าเล็กๆแล้วก็มีช่ลอมเล็กๆแล้วก็มีกระแผงเล็กๆเนี่ยไอสายเชือกมันก็หุ้สั้นๆเนี่ยนะมันไม่กระห้ามันกลัวมันบุรุษขี้ขาดแต่คนที่เขามีศรัทธาเขาไม่ขี้ขาดนะ เขาไม่ใช่เป็นบุรุษขี้ขาดนะเขากล้าจะตักได้สักนิดหน่อยเขก็ตัดคือตักเอาคุณของพระเจ้าสักนิดมาใส่ห้องหัวใจเขาก็เอาใช่ไม่ใช่เพราะมันลาดลดสักนิดหน่อยขนาดเท่าท้องเมล็ดพันธุ์พักกาศเขาก็เอาใช่ไหมเพราะมันชุ่มชําได้ไดั่งพระพุทธคุณเถอะถ้าเขาได้พุทธคุณได้ศรัทธานในพุทธคุณได้แล้วเขาจะหวังอะไรล่ะจะหวังนะปัจเจกโพธิญาณสมมาปัณโพธิญาณหรือสาวกกระโพธิญาณเขาหวังได้แล้วแต่ถ้ามันยังไม่ได้นะมันหวังไม่ได้ ถ้ามันไม่ได้ศรัทธาที่แท้จริงในคุณของพระเจ้าเลยมันจะหวังไม่ได้เลยนะในที่สุดจริงๆมันก็ออกนอกลูนอกทางมันก็เป็นมิจฉาทิโม่มันก็เป็นศรัทธาเทียมแล้วมันไปตั้งไว้ในวัตถุที่ผิดเพราะสรัตาพระเจ้าเดี๋ยวมันต้องมีเครื่องล่อแล้วทั้งนั้นไม่ไปหรอกถ้ามีเครื่องล่อเนี่ยมันถึงจะไปเห็นไหมเพราะมันเป็นศรัทธาเทียมมันไม่ใช่ศรัทธาแท้ถ้าศรัทธาแท้มันต้องไม่ต้องมีเครื่องร่ออะไรเลยขอมีพระธรรมของพระเจ้าอยู่ที่ไหนข้าพระเจ้าจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเลย มันจะไปอย่างนั้นมองเห็นไหมเข้าใจตัวเองอย่างเดียวนี่ต้องเรียนรู้เขาให้ดนะีเนี่ยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สภาพของมาาิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันถ้าเรารู้จักเขาจริงๆแล้วเราจะรู้จักว่าโอ้โหเขาเป็นอย่างนี้เองใช่ไหมแล้วเป็นอย่างนั้นจริงไหมมองไม่เห็คนคุณเลยใช่ไหมมืดแปดด้านเลยใช่ไหมมืดไหม อจริงมองยากไหมคุณของพุทเจ้าตรงนี้นี่แหละเขาเรียกว่าโพธิโพธิปักกียร์ธรรมเมเนี่ยโพธิปักกียร์ธรรมนั่นวิเคราะห์บอกว่าอาริยมักทั้งสี่ โสดาปฏิมากสกาธาการมีมากนาคา ม, มากอากัธตรมคคิโกโพธิอีกอย่างหนึงนะ่งเนี่ยบุคคลย่อมตัดสู้รวะเหตุนั้นนะ่ยบุคคลนั้นเชื่อโพธิคือผู้ผู้จะตัดสู้ได้แก่ผู้พดทยเจ้าทำทั้งหลายมีปัก่ายแห่งโพธิญาณหรือของบุคคลผู้จะตัดสู้นเขาเรียกโพธิปากเคียถามว่าทำเหล่าไหนก็โพธิปักเยทำทสามสิประการสติปัฏฐาน4ไง สมปารธานสี่ที่บาทสี่สียห้าพละห้าโคงเจ็ดอริยมรรคอมีองค์แปดบำเพ็ญบารมีเหล่านั้นบำเพ็ญยังไงทรงบํบาเพ็ญบารมีสามสิบทัดมีทานบารมีศีลบารมีเนคขมารบารมีไหมปัญญาบารมีวิริยะขันติสาจา่าอธิฐานนมิตารูปีขาอุปปารมีสิบปรมัตถบารมีสิบบารมีสาสิบทัศนี่แหละที่ยังอริยมรรคให้สําเร็จและ โพธิบากยาทำสามสิเจ็ประการนั่นะที่บ่มบ่มอะไรบ่มโพธยญาณอันหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้อย่างสมบูรณ์นะี่ป ต, ตวาทรงบรรลุทรงบรรลุด้วยพยานนะีโพทิงเพราะโพทิญานนะั้นก็คือมรรคญาณทั้งสี่คำว่าวิสุทธังก็คืออันบริสุทธิ์เนี่ยนะคือเว้นจากมวลทินเว้นจาราร า, ราคะนี่เป็นมวลทินโทสาโมหามานะทิฏฐิวิจิขาหีด้วยการโนดตะปาอุตจาร์นี่เป็นมลทินนะ เป็นมนทินเนู้นอาริยมรรนะร้นขจัดมนทินเหล่านี้แหละสากลาระคูณทะทั้งที่ให้พระคุณทั้งสิน้นท่านอธิบายบอกว่าพระโพธิญาณอันบริสุทธ์นั้นน่ะอันให้พุทธคุณทั้งสิน้นให้อะไรบ้างอะภินยาหกอาสาทารานญาณหกพุทธญาณ1ิสี่เวนี่กระทำสิบแปดแล้วก็ทศพลญาณสิบเวสาลกญาณสี่ ทรงเศรษฐภูโตติโลกเกทรงเป็นผู้ประเสริฐในโลกสามติโลกังก็ไดนะ้คือโลกสามพระพุทธเจ้านั้นทรงประเสริฐในไหนสังขาละโลกสัตวะโลกแล้วก็โอกาสโลกอพระพุทธเจ้าประเสริฐกับโลกสามไหมสังขารละโลกมีสังขารไหนบ้างในแสน ก, กวจักรวาลหรือยิ่งกว่านนะั้นใช่ไหมที่จับ เอาแค่พระรูปเนี่ยเอาพรูปในแสนเราสัตว์ในแสนกว่าจักรวาลเลยเอารูปเวทนาสัญญาสังขารมียางนั้นสัตว์ในแสนกว่าจักรวาลเนี่ยมาเทียบพระรูปกายของมุนีย่าเนี่ยไม่ได้อย่างเงี้ยวิธีคิดเอาสัตว์ตวโลกที่ในแสนกว่าจักรวาลทั้งเส้นเนี่ยมาเทียบที่สัมมาสัมโพธิตั้งแต่เป็นสัมมาสัมโพธิสัตว์ก็เป็นพระโพธิสัตว์ก็หาบุคคลเทียบไม่ได้อยู่แล้ว พวกพุทธเจ้าเนี่นเป็นใหญ่ในโลกสามกาเมาวาจรรูปาวาจรและรูปาวาาจรกัตวาทรงกระทำแล้วกระทำสําเร็จหรือยังสําเร็จแล้วทักษะอันตังที่สุดแห่งทุกอะไรคือที่สุดแห่งทุกคือทรงส่วนปลายแห่งทุกในวัตถ์ทั้งสิ้นตัดวัตถทุกดได้ยางไตัดวัตถทุกได้อะไรคือส่วนปลายแห่งวัตถทุกทั้งสิ้น ที่สุดแห่งวัฏทุก ค, คืออะไรเอออนุปาทาปณิภิภานนั่นแหละเขาเรียกว่าส่วนปลายที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์กคืออนุปาทาปณิภิภานคือการดับโดยไม่มีส่วนเหลือถามว่าอนุปาทาปณิภิภานมีการอุบัติเกิดขึ้นอีกไหมไม่มีการอุบัติอีกให้สําเร็จแล้วท่านจึงใช้คําบอกว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์ตรงนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าจาึงเป็นเป็นบุคคลที่น่า น่าสรัทาน่าเคารพน่าสรรเสริญน่าบูชากะตะสุภะชนะตังมูชนผู้กระทำกรรมงามไว้ได้แก่ประชุมชนผู้ได้กระทำบุญไว้แล้วในสำนักของพระเจ้าในฟางก่อนโอ้ใครที่เคยทำบุญไว้ในพระเจ้าฟางก่อนพระเจ้าก็มาต่อยอดตุก บ, บุคคลเหล่านั้นแหละตอนสมัยพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแผ่ขายพระญาและสแสดงธรรมไปนู้นเน่ยครอบคุมเนียน ใช่ไหมประชุมสองครั้งแรกนี่สานโกรธฮึ่มแสนโกรธ ก, กินจักรวาลไปเยอะเลยฉะนั้นขายพยายาในการแสดงธรรมเลยนะแสงแสงพระธรรมอะไรต่างๆอัไรนั้นแผ่ละจะมีกว้างยันแสนโกรจักรวาลเลยแม่พระเจ้าทุกองค์ทําได้หมดหละทําอย่างนั้นแหละ แล้ว ไ, ไปหลับอยู่ตรงไหนใช่ไหมไม่เห็นขายพยานของท่านแล้วนั่นแหละพระพุทธเจ้าในปางก่อนทุกขโตโมจะยิฐถะทรงเปลืองออกจากทุกข์แล้วทรงเปลืองออกจากทุกข์แล้วทรงเปรื่องออกจากทุกข์เพราะเหตุแห่งทุกข์เปลืองทําไมไอ้เป็นวุหารเนี่ยคำว่าทุกข์นี่ยคือพระองค์เปลืองอะไรทุกข์เป็นชื่อบังขันห้า เรื่องทกุก็เป็นชื่อของอนุปาทานปีนิพันธ์าให้ขันนั้นนะ่ะเข้าถึงอนุปาทานรีนิพันถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างสนิทใจเนี่ยในอดีตนี่นะป่านนี้ยไม่มีการนั่งประชุมขันกันตรงนี้เนี่ยโทษของการไม่เชื่อวิจิกริชาในพุทธบุญตรงนี้ก็คือต้องการจะชี้คุณของพระพุทธเจ้าให้ทราบนะว่า เมื่อเรารู้คุณของพระบรมศาสตรอย่างนี้เบียดเสร็จแล้วพระพุทธเจ้านั้นทรงพระองค์นั้นทรงกระทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทรงทำมรรคที่ยังไม่เกิดพร้อมไม่เกิดพร้อมแต่บอกมรรคที่ยังไม่ไม่มีใครตัดรู้จักมรรคแล้วก็รู้แจ้งมรรคฉลาดในมรรคเลวแล้วก็สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าผู้ดาเนินไปตามมรรคอยู่นบบัดนี้จะเป็นผู้เพียรพร้อมในภายหลัง น, นั้นก็หมายความบอกว่าพราะองค์นั้นน่ะรู้ธรรมที่ควรรู้เห็นธรรมที่ควรเห็นทรงมีพระจักษุมีพระญาณทรงมีธรรมทรงมีอัฏฐะเนาะทรงเป็นดุลพระนรคมตรัสบอกทรงนําความหมายออกไปทรงประธานนมตตธรรมเป็นเจ้าของเหงื่อธรรมเป็นพระธรรคตสิ่งที่พระบรม ศ, ศาสดาไม่ทรงทราบไม่ทรงเห็นไม่ทรงรู้แจ้งไม่ทรงทําให้แจ้งไม่ทรงได้สัมผัสโดยพระญาณ น, นั้นไม่มีเลยนี่นะอันนี้เราก็จะเห็นโอ้พพุทธเจ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้ก็คือ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 เรื่องการปฏิบัตินี่นะก็ถือว่าเปิดประตูช่องนี้ได้เลยเหลือแต่เพียงว่าลงมือไข้ควรวนยังไงทําให้ติดต่อยังไงเพราะเขาปร ะ, รประงมยังไงให้เกิดขึ้นเท่านั้นเด็ทีนี้ตรงนี้ให้สังเกตดุไหมเมื่อเช้าที่พูดเขาไว้ก็หวังว่าเอจะมีใครเอจใจถามอาตมาไหมไม่มีเ อ, อไม่มีเหมือนกันก็อบอกเออเอาใช่ไหมคือต้องการอยากให้เอจใจสังเกตุไหมอาตมาจะย้ า, ยาอะไร จะย้ำคําว่าในส่วนของมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายที่เอาในทิฏฐิกถามากล่าวเนี่ยในทิฏฐิคาถาที่กล่าวเกี่ยวในเรื่องของในคำภีร์เกี่ยวในเรื่องของทิฏฐิที่บอกว่าทิฏฐินั้นนั่นนนั่นของเราอ่ะนั่นของเราเนี่ย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 ในห้ากลุ่มเนี่ยมีอยู่สิปทิฏฐิมีสัตตาวาทะหรือสัตาทิฏฐิเอกจ่าสัสตาวาทะก็คือเอกจ่าสัตทิฏฐินั่นแหละอันตานันติกาวาทะก็คืออันตานันติกาทิฏฐิอมราวิเขปาวาทะแล้วก็อาทิตจ่าสมุปันนาวาทะนี่ห้ากลุ่มในห้ากลุ่มเนี่ยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มสัตตาวาทะเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าเที่ยงเห็นหน้าอะไรเที่ยงเห็นว่า อัตตาเนี่ยตัวตนเนี่ยแล้วก็เห็นว่าโลกในเที่ยงเห็นเห็นตัวอัตตาเที่ยงด้วยแล้วก็เห็นตัวโลกเที่ยงด้วยนี่เพราะอะไรถึงเห็นว่าเที่ยงเพราะระลึกชาติได้ตั้งแต่ชาติเดียวจนถึงแสนชาตินี่เข้าใจยังระลึกชาติเดียวได้จนถึงแสนชาติสองเห็นตัวตนเห็นอัตตาและโลกเที่ยง เห็นเห็นเห็นอัตตาและโลกเที่ยงคือในความเห็นอัตตาและโลกอันนี้แยกกันนะเห็นอัตตาและโลกเที่ยงเลยนะนี้เราลึกได้ตั้งแต่หนึ่งกับไปจนถึงสิบกับประการที่สามเห็นตัวตนอัตตาและโลกเที่ยงเห็นอัตเห็นตัวตนและโลกเที่ยงอีกเหมือนกันนี่เราลึกได้ตั้งแต่สิบกับไปจนถึงสี่สิกับประการที่สี่กลุ่มที่คาดคณีตามเหตุผลตัวตนอัตตาและโลกเที่ยงพวกนี้นักคิดคิดจนเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานี่นะ ในกลุ่มทั้งสี่ประการนี้ระลึกได้สูงสุดสี่สิบกับถามว่าความเห็นผิดเนี่ยวิ่งไปในอดีตไกลไหมสี่สิบกับนี่กไกลไหมไกลยานไปแค่ไหนก็ไปแค่นั้นแหละประการที่สองนี่สังเกตกันไว้นะเอากาจาศสตาวา้าเห็นว่าบางอย่างเคียงเห็นภาพรพมที่กล่าวไหม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 บางคนเนี่ยสามารถแผ่ไปด้านไหนก็เห็นเฉพาะด้านนั้นมีที่สุดอีกด้านนี้คิดไม่ได้เงี้ยนะเป็นต้นแล้วก็กลุ่มอมราวิเขปาวาทะกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มแกลงเกรงว่าจะพูดเท็จก็ปฏิเสธอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่เป็นต้นเหล่าเนี้นะและอีกกลุ่มหนึ่งคืออาทิตย์จสมุปปนาวาทะเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยพวกเนี้ยพวกไอเหตุการเงี้ยนะ เห็นว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุเพราะเคยเกิดเป็นอสัญญาสัต์มาแล้วกลุ่มคาดทะเนียด้วยเหตุผลตามสิ่งต่างๆก็เลยเข้าใจอย่างนั้นเลยนี่ครบสิบแปดถามว่าทำไมทาไมทรงแสดงทิฏฐิหกสิบสองไว้เข้าใจไหมเอ้าสิบแปดเนี่ยแสดงไว้เพื่อเห็นไหมว่า วิปาาัสนาญาณนี่แหละทําไมวิปัสนาญาณจริงต้องรู้อดีตเข้าใจยังทําไมวิปัสนาญาณจริงต้องปารบอดีตถ้าไม่สามารถทําไม่ปารบอดีเนะี่ยจะละทิฐิประเภทปุพพันตาปรันตไไ์ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดนั้นต้องชําระความเห็นในอดีตด้วยเพราะท่านทั้งหลายเคยเกิดมาเคยยึดติดมา ถึงแม้ไม่ได้มันจะอยู่ในกลุ่มของนักคาดนักคิดนักคณีนักเพ้อฝันนี่แหละแล้วในที่สุดจริงๆก็เอายนได้แหละปุพันตะกัปปิกะทิฏฐิเนี่ยเกิดตรงนี้นี่แหละทำไมบอกว่าวิปัสสนาญาณจริงต้องเป็นไปในสามการเพราะเป็นไปเพื่อจะชำระอะไรถามว่าลกชัดคืออะไรใช่ไหมเส้นน้ำคือทิฏฐิเหวืือทิฏฐิกันดานคือทิฏฐิใช่ไหม ถามว่าแล้วอัรถกาถาจารย์ที่ท่านอุปมาว่าวิปัสนาที่เป็นปุเรจาริกเนี่ยเหมือนกับคนถางป่าเข้าใจะยังแต่เยวนี้ถางป่าถางพงถางรกถางไม้ต่างๆตัดหญ้าต่างๆมากองไว้ไฟสมขึ้นก็นตัดใหม่ตัดเบเสร็จก็ไปสมจะได้เอาข้าวกล้าลงนั่นคืออะไรเพราะในอดีตที่ผ่านมามันรกชัดเต็มไปหมดแล้ว ฉะนั้นต้องสะสางอารมณ์ในอดีต ด, ด้วยทิฏฐิที่เคยยึดในอดีต ด, ด้วยและแ้ะตาปารบส่วนขันในอดีตเป็นต้นด้วยเพอทิฏฐิมันมีแล้ววิปัสสนาญาณไม่ยอมเอื้อมไปถางเนี่ยนี่เข้าใจอยังว่าทําไมถึงทรงสแสดงอย่างนั้นแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ทรงสแสดงไว้บอกว่า อปรันตานุทิฏฐสี่สิบสี่ทิฏฐิที่ถือตามขันส่วนอนาคตวกนั่นเป็นตัวตนของเราใช่ไหมเออขออภัยมันไม่ใช่นั้นคือว่าไม่ใช่นั้นคือสี่สิบสี่เนี่ยก็เรียกอปรันตาเนี่ยอปรันตานุอปรันตานุทิฏฐีมีสีิบสี่อันนั้นคือทิฏฐิที่ปารลบส่วนของอนาคตคือคืออะไรบ้างอ่ะ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 อัตตามีโลูกย่งยืนมีสัญญาเป็นต้นว่าไปอาสัญญีวาทา่าเนี่ความเห็นหลังจากตายแล้วอัตตาไม่มีสัญญาแปดประเภทในว่าสัญญีนาสัญญีวาท่ก็คือเห็นว่าหลังตายแล้วอัตตามีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นั้นอีกแปดประเภทอุเฉตวาท่าเห็นว่าขาดศูนอีกเจ็ดประเภทไอ้ตัวนี้เทสตวิปัสสนาญาณถ้าไม่ถามความเห็นเหล่านี้ในอนาคตเนี่ยเสียเลย นี่ทิฏฐาธรรมนานิพานนี่ความเห็นสภาวะบางอย่างเป็นนิพานในปัจจุบันนี่ไปเข้าใจผิดอีกละลืมนะในปัจจุบันเนี่ยท่านในจำรัขันในปัจจุบันด้วยใช่ไหมเพราะไอความเห็นหนักๆในปัจจุบันเนี่ยเดีย๋ยวไปเข้าใจกรรมคุณเราเป็นนิพานธ์ซะอีไปเข้าใจว่านี้ปฐมฌานทุติยฌานตัติตยฌานเจตุทะฌานนู้นแหละเก่าวกาวซีก็ไว้แต่มันยันน่ะลูประชานนั่นแหละเดีย๋ยวจะไปเข้าใจเป็นนิพานเห็นไหม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 เข้าใจหรื อ, อยังแต่เนี้ยทีนี้พอเข้าใจตรงนี้เอาจะสอนวิธีการเชื่อมโยงสูตรใช่ไหมเชื่อมโยงสูตรจะได้ต่อไปมาจะไดไม่หนักใหญ่ใช่ไหมต่อไปพวกเขาจะไปช่วยเป็นขยายการทำของพระเจ้าทีนี้เอายกตัวอย่างเช่นอารตีตังนานวากระเม ย, ยนานปฏีตังเทานากถังยัตตีตามิไหมในสูตรเนี้ยเพรเอิญไม่ได้มีบาลีอยู่ในตัวเนี้ย ไม่มีบาลีอยู่ในตัวเดี๋ยวขอยกตรงนี้ก่อนดีกว่ายกเป็นภาษาไทยปดีไม่ได้ฉบับบาลีมาจำภาษาบาลีไม่ได้นะเอาในเอาในอัตรกรถามาแล้วเดี๋ยวขยายดูที่เคยเออบอกไปบ่อยเนี่ย น, นี่เอาที่ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนสันตติมหามา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 แต่ก่อนนั้นสังขารของเธอนั้นถูกอะไรบารอกอยู่ปุบพันตากับปกาทิฏฐิยึดไว้ไอความเห็นผิดเพราะทิฏฐิเหล่านี้ที่ลูกคาทิฏฐิเหล่านี้ที่เขาไปลูกคํเขาไว้เนี่ยเธอจงทำกิเลสมีมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นนั่นแหละที่มันไปคุมใช่มสังขารเหล่านั้นในอดีตให้เหือดแห้งไปเสีย ให้เหือแท้งไปเสียใช้วิปัสสนาญาณนี่แหละไปถางความเข้าใจผิดที่เคยที่ปารลบในส่วนอดีตทั้งหมดน่ะให้เหือแท้งไปเอาสมาทิฏฐิไปทํากิจแทนแต่แต่ก่อนมิจฉาทิฏฐิมันมันครอบนามาอย่างยาวนานใช่ไหมนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมว่าคาถาเนี่ยและกิเลสเครื่องกังวลที่ปารลบสังขารในส่วนภายหลังนี่แปลว่าอะไรอนาโขใช่ไหมอปรันตะ นี่คือกลุ่มอป ร, รันตาพวกอป ร, รันตากาพิกาทิฏฐิคือทิฏฐิที่ปาราลบส่วนเบื้องปลายตรงนี้ก็ต้องจัดการกับทิฏฐิที่ปรารบในส่วนเบื้องปลายด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าเธอจักไม่ถือสังขารในส่วนท่ามกลางเห็นหทั้งทิฏฐาธรรมนิพาพานทิฏฐิประเภทนี้ด้วย ที่เป็นไปในปัจจุบันด้วยเดี๋ยวไปเข้าใจกรรมคุณบ้างนะฉะนั้นต้องชําระหมดเลยเห็นไหมถ้าเราดูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราเจอคาถาใดก็แล้วแต่เนี่ยนะที่กล่าวในลักษณะอย่างเนี้ยก็เอาทิฏฐิทั้งสามการนี้ที่เป็นไปในส่วนของปกพันตะ ก, กับิกาทิฏฐิอัปรันตะ ก, กับิกาทิฏฐิในส่วนเบื้องต้นกับส่วนเบื้องปลาย แล้วก็กลุ่มในของทิฏฐาธรรมนิพพานก็หมายความว่าทิฏฐิที่เห็นว่ากามคุณเป็นนิพพานปฐมฌานเป็นต้นเป็นพานิพพานเป็นต้นตลอดถึงสักยะทิฏฐิที่มีวัตถุยี่สิบแล้วก็อุเฉะทวารธาทั้งหลายที่จะไปเห็นว่ามันจะขาดศูนย์เป็นต้นด้วยจะได้ขจัดได้ถูกต้องเห็นไหมว่าในในคาถาต่างๆอะไรเนี้ยที่ท่านกล่าวมาอย่างเนี้ย เขาเรียกว่าเชื่อมโยงคำสอนของพุทธเจ้าได้ชัดขึ้นถ้างั้นเราจะทำไมถึงแปลกใจไหมว่าพุทธเจ้าทำไมแสดงที่เียวสิสองฉะนั้นการที่องค์ทรงสแสดงที่62หกสิบสองนั้นก็ต้องการที่อยากจะให้เห็นว่าอดีตต้องวิจัยนะอนาคตต้องวิจัยนะปัจจุบันต้องวิจัยในการละ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 แล้วก็ไปสังเกตว่าโอ้การสอนอย่างนี้ไม่ไม่ใช่การปฏิบัติเขาฟาังพรหมชารสูตรบรรลุกันตั้งเยอะแยะใช่ไหมแต่เราไม่เคยเอาพรหมชาลสูตรนี่ไปสอนให้รู้ว่าจริงๆแล้วพุทธเจ้าสอนในกําหนดขันที่เป็นไปในการสารอย่างนี้เพื่อจชะชําระธาตุไอสสารสวาิชฉาทิถีทั้งหลายที่ปรากฏในส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลายและส่วนท่ามกลางเนี่ย แล้วก็มีสักขยะที่ถีมีวัตถุ20เป็นประธานของที่ถีเหล่านั้นอย่างไรเป็นแกนหลักยังไงแล้วเป็นลกชัดยังไงเป็นเหวอย่างไงเป็นกันดารยังไงเป็นความยุ่งยากยังไงเป็นเครื่องร้อยลัดยังไงเป็นสัญญอยังไงใช่ไหมสิ่งต่างๆนี้ต้องถางถางตรงนี้ไม่ได้เสดามาเกิดไม่ได้จะระชุมมาร์กลงได้ยังไงเจ้าเสลดาไปมาร์ปักลงในกระแสขันท่าได้ยังไงคุณได้ไงถ้าคุณไม่จัดการที่ถีเหล่าเนี้ยไม่ใช่ไปร้อยมาร์เกิดเองมาร์ไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยการอ้อนวอน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 เราก็ใครพระเด็กๆแต่ก่อนเนี่ยก็นั่งมองหน้าพระเถระไม่ยอมแต่ฌานพระธรรมกันก็นั่ง อ, อ้ามามงอึ้งๆกันอยู่เนี่ยไม่ยอมบอกกันเลยทีรู้ของดีแล้วเก็บเงียบแต่หนีทําแท้แล้ว็จมาเป็นเลเงียบนะความจริงเนี่ยไม่บอกไม่แต่ท่านพูดแคแล้วก็สบายเราไม่ต้องมาพูดแล้วใช่ไหมก็มาให้เราเหมืนเหนื่อยพูดพูดใครเชื่อถือบุญก็น้อยเลยให้คนป่วยขึ้นมาลุกขึ้นมาพูดดิ เขางจยังนจริงๆน่าจะผูดกเกณนว่าจริงๆคำสอนเป็นอย่างนี้นี่ปิดไว้ทำ ไ, ไมไมไม่ใช่พระพุทธเจ้ายกพระอาหารหันตศาสาวกมีท่านพระอานาลพระมาหากระสุนต้นเปนพระมาหากระสบเป็นประธานท่านยกสูตรนี้ขึ้นมาตั้งเพราะเห็นว่าเป็นความสำคัญ ว่าเป็นความสําคัญแต่ผู้ที่อธิบายต้องเชื่อมโยงที่นี่มันเป็นปัญหาอนามายอธิบายมาหลายรอบแล้วมันเชื่อมไม่ได้คนฟังถ้าเชื่อมแล้วเขาจะปวดหัวดิทําไงเข้าใจย่างถ้าเชื่อมไม่ได้แค่ถึงเข้าใจไปแย่ถึงเชื่อมสือื่นเดียวถเข้าใจแล้วถึงเชื่อมไดาขึ้นเวลาที่จะเชื่อมเนี่ยมันต้องร้อยเขา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 มันก็ต้องค่ อ, คอยๆว่ากันมาว่ากันมามนี่ก็มาชื่นี่ก็โอ๊ะไงพูดให้รู้ว่าจริงๆเป็นอย่างนี้จะได้เห็นว่าเออเนี่ยจริงๆในคําสอนของพระพุทธเจ้านเนี่ยเมื่อมาฟังก็ บ, บอกมาเพราะเขาไปไกลแล้วอั่คิดอะไรอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องไปเถียงกันเรื่องตรงนี้เสียเวลาด้วยก็ให้รู้ไปแล้วกันว่ามันไม่ถูกกับบาปธรรมมันไม่ถูกในวระไตรปิฎกเพราะบอกไม่ถูกพรไตรปดฎกก็จะให้หาหลักฐานใช่ไหม แล้วเราอธิบายไปเขาเขาเชื่อมไม่ถึงเขาก็ปฏิเสธอยูด่ดีเขาต้องมานั่งฟังดีเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเนี่ยใช่มไหมมันต้องมานั่งฟังค่อยๆนั่งไล่นะนุ่นไปดูในมหาจัตต า, าริสกัสูตรที่ไปดูในสมาธิที่สูตรที่ไปดูในมหาสติปัฏฐานสูตรที่ไปดูในพรหมชาลสูตรไปดูในปฏิสมัมพิธามาร์คที่สิกถาไปดูในวิสุธทธิมาร์คนะไปดูในปฏิสมัมพิธามารคมาเชื่อมดู อันมาเชื่อมดูจะเห็นอ้าวยกทำมาบทมาใส่เลยแต่นี้มันจะเข้าหมดเลยแต่นี้อ้าวยกสูตรไหนมาก็ได้แต่นี้แล้วจะเชื่อมไปดูจะจะจะอธิบายดูจะเข้าสอดคล้คองยังไงมันก็ย่อมเป็นไปอย่างู่คําสอนพุทเจ้าตรงนี้นี่มองออกใช่ไหมนี่แต่แต่แต่ไปลุรายละเอียดดีแีแ ล, ๆๆแล้วจะเห็นนี่เป็นอย่างนี้ ทิฏฐิมันทิฏฐิมีสามการมีสามการปุพันตะกับิกาทิฏฐิอัปรานตากับิกาทิฏฐิแล้วก็พวกไอ้ทิฏฐาธรรมนิพพานพวกนี้ที่ทิฏฐิที่เป็นไปในปัจจุบันนี่แหละแล้วก็พวกนี้แหละที่เป็นประธานของทิฏฐิทั้งหลายก็สักยะทิฏฐิที่มีวตัตถุยี่สิบนี่แหละพุกอย่างนั่นมันเชื่อมอย่างนี้โัววิปัสสนาญาณต้องถางทิฏฐิเหล่านี้ทั้งหมด ตามไปกัถ า, างไว้มีอยู่ที่ไหนถางเก็บต้องทําความเข้าใจตรงนี้ให้ดีแล้วก็จะเข้าใจคําสอนของพุทธเจ้าไม่ยากแล้วดิต่อไปเห็นไหมเวลาเราไปอ่านเนี่ยถ้าเรารู้รนะักเหนูที่ไปอ่านเข้าใจบิดก ง, ง่ายขึ้นเลยง่ายขึ้นเลยเวลาไปอ่านไปอะไรต่างๆเราไปหยิบสูตรไหนอ่านก็จะเข้าใจไม่ยากแต่ก่อนจับอ่านนี้มันจะมืดใช่ไหม เน่เข้าอ่านแต่ต้องการมันเยืมเมื่อก็อยากอ่านเพ่มันจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ตรงนี้ไม่สงสัยเลยเนาะไม่สงสัยผ่าน ต่อไปดูอาจาัจฉริยะในบทนี้ในคราวที่จะพรารนาตามลำดับแห่งทิฏฐิคถาที่กล่าวไว้ในลำดับแห่งญาณคาถาเนะาะญาณคาถาไม่เรียนเลยพวกเรานี่หวัวสูงกันเรียนทิฏฐิกถาเรียนทีิฏฐิคาถาเลยเราเรียกว่าเรียนยรันดเนี่ยอายุมากแล้วไปเรียนตามลำดับนี่จะไม่ทันการแล้วะมาเลยเป็นอกาการเป็นควสับสนตอนนี้ คือยังไงรู้ไหมตอบสนองยังไงรู้ไมไอจะสอนอะไรเป็นไปตามลำดับก็ไม่ได้หาคนตัวตาเรียนไม่มีนะนี่นี่เรื่องจริงนะลองจะไม่นั่งเรียนกันไปตามลำดับเนี่ยโอ้โหแต่ละคนก็จะขออนุญาตตั้นหาออกมาได้เนี่ลำบากยากเอเกินไม่ใช่เรียนตามลำดับป่านี้ยังไม่ถึงอะไรเลยันได้ใ่แค่นี่เขารู้เลย คือคือขึ้นในคําสอนเนี่ยเพราะจริงๆเนี่ยเวลาพระท่านศึกษาท่านศึกษามาเ่างต่าก็ใครจะศึกษาอย่างไงก็ไม่รู้ใช่มเพราะเขานี่ยเข้าใจแล้วท่านก็อ่านเข้าขั้นไปเรื่อยๆปฏิบัติกากเาแล้วก็อ่านไปเรื่อๆยๆใช่ไหมอ่านไปเรื่อทีนี้พอไปไปมานีบางคนเนี่ยอ่านมาตั้งหลายรอบแล้วก็ไม่ค่อยเอเยใจ เขามาเห็นเยอะแล้วมานั่งคุยคุยมาก็ฟังฟังไปงั้นเง่ยบางทีเขามาก็ไม่ได้ต้องการความเห็นของเขาแสดงต้อง ก, ก, การระบายก็าอาจเยอะจัดแล้วก็อยากระบายก็ระบายที่ใช่ไหมบางคนมานั่งระบายอะไมาฟังครึ่งวันะไรมาเขาฟังอ้าโอ้ดีดีดีก็ฟังไปคือบางคนมันมาแบบมีฟอร์มอ่ะไม่ได้ถอดทิฏฐิออกหรอกใช่ไหม เราก็รู้แล้วมีทิฏฐิแรงจ๋ามานมันนะเป็นประธานบ้างตันหาเป็นประธานบ้างทิฏฐิเป็นประธานบมั่วๆกันอยู่เนี่ยนี่ยมัก็เออวางแล้วก็เราก็มาฟังฟังเบ็ดเสร็จก็เออก็บอกไปคุยด้วยแล้ไปวิ่งอะไรว่าของนี้ไม่รู้เรื่องเขาว่าเดโมว่าไม่รู้เรื่องไปคุยด้วยก็ไปนี้เนี้ยแต่คือเรารู้ว่าเออเออาจามาเนี่ยเป็นคนมีปมอยู่อย่างหนึ่งไม่มีฐานบาลี ไม่มีวุฒิการศึกษาเป็นฐานด้วยแล้วอาาก็บอกกันมือนโยมก็บอกอุ้ยให้ไปบรรยายให้พมีความรู้ฟังอมาเป็นหนักจใช่คนเรามันจะตรวจสอบเป็นไงเขามาถามเขาถามไหมเขาถามเหมือนกันว่าท่านจบแล้วนนั้นึกแล้วยังไม่ก็ตัางทงนะไอ้ยาวย่แรกแล้วก็คิดดูที่สองยโมงที่อยมาต้องไปบรรยายอาจารยมาจะเหนื่อยขนาดไหน ก็บรรยายให้คนไม่เชื่อฟังเนี่ยหนักไหมล่ะแสนจะหนักแสนจะรั บ, บา ก, ก็ใชแล้วเราก็รู้ว่าเขาก็จะปคือการการตําหนผูพ้พูดก็คือมันจะลามไปถึงพมหะยาวเราก็กลัวเขาบาวให้เราจะทํำยังไงเราจะทํำยังไงใช่ไหมให้ความวิราชเราไม่มีสักอย่างเลย <laughs> ลูกก็ไม่วิราช ยช่โลกวิราชก็ไม่มีใช่หมว่าเจนะวิราชก็ไม่มียาณวิราชก็ไม่มีอิทธิวิราชก็ไม่มีเพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเลยอ่ะแล้วเราก็เป็นพระมิจิเลตเป็นปุรุชนลูกหนึ่งใช่ไหมแล้วไป น, นั่งกอดกับคนที่มีทิฏฐิมานะกลา้าเยอะๆถ้าลองคิดดูมันมันย่่าเป็นผลดีเนี่ยก็อเขาเ ข, า, ขาจัดไปแล้วอะไรแลว้วก็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 ปรารถนาหรือก็แล้วก็ได้แต่คิดถึงนั้นเละหาถ้าคนมีเ่า่อน้อก็อคิดเช่นนั้นอย่างอามีไปสามโมงไปสาม ตรงนี้ก็คือเกี่ยวในเรื่องของคําว่าทิฏฐิเนี่ยนะคืออะไรเป็นคําถามเนาะทิฏฐิคืออะไรก็จะแก่ทิฏฐิคือความรูปคาด้วยความถือผิดนะเป็นคําตอบคําถามที่ถามนะเป็นคําตอบคําถามที่ถามคำเมียเทวทิฏฐิก็คือการรูปคําการถือผิดเท่าไหร่เป็นการแสดงความพิสดารตามระ ด, ำ ด, ำดำับดํำตะตอบคําตอบที่ตอบแล้ว ทิฏฐิทั้งหมดเป็นอัศธาทิฏฐิเป็นการเทียบเทียงกับทิฏฐิสูตรมีทิฏฐิสูตรด้วยเนี่ยในสี่ปริเฉดนั้นพึงทราบวิชัยในปุจฉาปริเฉดถึงคําถามนะทิฏฐิอย่างไรกาทิฐิเป็นคําถามถามึงธรรมเป็นคําถามถึงสภาวะทิฏฐิเป็นอย่างไรนี่ก็ถามถึงสภาวะของทิฏฐิเอาทิฏฐินี้เป็นอย่างไรต้องตอบเลยทีทิฏฐิเป็นอย่างไร ลักษณะ ข, ของทิฏฐิเป็นยังไงลักษณะของทิฏฐิเป็นยังไงฮะความเห็นที่ไม่ใช่ตามความเป็นจริงเนี่ยคือเป็นความเห็นที่คลาดเคลื่อนเป็นความเชื่อมั่นอย่างผิดๆว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าถ้าพ่าวความทิฏฐินี่เหมือนกับปัญ ญ, ญาหรือตรงกันข้ามกับปัญ ญ, ญาตรงข้ามกับปัญ ญ, ญา ทิฏฐินี่ยเขาเขาละสภาพที่เป็นจริงหรือว่าเขากลับไปหาสภาพที่เป็นจริงกลับไปหาสิ่งที่ไม่ไม่เป็นจริงนั่นแหละคือทิฏฐิก็จะเป็นอย่างนั้นงั้นถ้าว่าอะไรที่มันจริงอเช่นว่าทุกเนี่ยทิฏฐิเขาไม่ไปเห็นเลยว่าเป็ทุกหรอกใช่ไหมเขาจะเห็นว่าเป็นสุภเดินเดียวนนี้ทุก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 ช่นม <c eigentlich analysis> ื่นเขาเขียนชื่นมื่นเออมามองดูโหชื่นมื่นไม่ใช่ไม่ใช่ไหมนี่มันเนี่เห็นผิดชัดเลยเนี่ยไม่ใช่ชื่นมื่นแล้วก็บอกชื่นมื่นไม่บอกว่าเขานั่นไม่ได้ทีนี้ยนั่นแหละคือรักในทิศทีเท่าไร่ก็เป็นการถามจํานวนเนาะการถือผิดอย่างไรอ่ะ กติทิฏฐานพินิเวสาเนี่ยเป็นการตามฐานการตามประเภทของมิจฉาทิฏฐิเนี่ยด้วยประเภทแห่งวัตถุด้วยความต่างกันอย่างอารมณ์ทิฏฐิเนี่ยเรับอารมณ์ได้หลายอย่างเนาะรับอารมณ์ได้หลายอย่างทิฏฐิรับปรมามะเป็นอารมณ์ได้ไหมรับบัญญัติเป็นอารมณ์ได้ญญไหมรับอดีตได้ไหมอนาคตได้ไหมเห็นไหมรับทั้งปรมามะและบัญญัติทั้งอดีตและอนาคต ทิฏฐิย่อมยึดถือย่อมรูปคาวัตถุนั้นๆอารมณ์นั้นนัเระเห็ุนั้นจริงกล่าวว่าทิฏฐิปรมาสัความรูปคำคือทิฏฐิความถอนที่ตา้หนึ่งทิฏฐิเป็นไฉนกตโมทิฏฐิทิฏฐิฐานะสมุขคาโตเป็นการถามถึงธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ถามถึงอุบายอย่างการละทิจฉาทิฏฐิขันเนี่ยนะขันนี่เป็นเหตุ เ, เหตุแห่งทิฏฐิเหตุแห่งทิฏฐิเหล่านั้นย่อมไม่มีพอาการถอนทิฏฐิได้แล้วเพราะเหตุนั้นเหตุเหล่านั้นจึงชื่อว่าถูกถอนได้แล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าความถอนทีนตทท่ตั้งแหงทิฏฐิเพราะเป็นเหตุทําลายที่ตั้งแห่งทิฏฐิอย่างร้ายกาจด้วยดังนั้นท่านก็พูดถึงในด้านนองโสดาปฏิมากรนั่นแหละเป็นตัวทําลายมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิคือความโรคคำการถือผิดอันนี้เป็นคําตอบเนาะทิฏฐิชื่อว่าพินิเวสะ ความถือผิดพลาดถว่ายึดถือตั้งมัน่นถือมัน่นด้วยอำนาจถึงความเที่ยงตั้งมัน่นถือมัน่นยึดมั่นด้วยอำนาจถึงความสุขคือไปยึดมั่นถือมันม่นได้ด้วยอำนาจถึงความเที่ยงเป็นต้นในวัตถุที่ไม่เที่ยงมันเป็นอย่าจริงๆนะมันไปตั้งมัน่นไปยึดมั่นไปถือมัน่นด้วยอำนาจถึงความเที่ยงเป็นต้นในวัตถุ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 แล้วก็เป็นอาตตาเป็นของงามเงี้ยเนี่ยตัวทิฏฐิมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ประการต่อมาชื่อว่าปรมาสาวเพราะรูปคําะอาจจว่าก้าวล่วงก้าว่วงอะไรก้าล่วงอาการไม่เที่ยงเป็นต้นแล้วไปเป็นไปด้วยอนาคตของความเที่ยงโดยปรมาสาก็แปลว่ารูปคํำนะประมาสานีนแปลว่าก้าล่วงก้าว่วงเออ ตรงนี้ศัพท์นี้น่าคิดมากคำว่ า, าก้าวล่วงเนะี่ยปกติมันไม่เที่ยงใช่ไหมเข้ามาก้าวล่วงเลยแปลว่ามันเที่ยง ม, มันเป็นทุกเข้าก้าวล่วงเลยไปแล้เป็นสุขเสือ่อเจอเนี่ยน้นเป็นเงี้ยมันคิดก็คิดเกินนะไอ้พวกม่จฉาที่เถียะเคเป็นไหมมันคิดน่ะคิดไม่ถึงกับคิดเกินเนะ น, นี่ยใช่ไหยเนี่ย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 คิดไปในความไปอนาตตาคิดเลยไปถึงอัตตานี่ยไอ้ที่ไม่งามมันคิดเลยไปถึงงามเนี่ยนะนี่นะนนะมันจะเลยไปเมื่ออย่างเงี้ยเนี่เขาเรียกว่าไอ้ตัวมิจฉาทิฏฐิมันจะคิดแบบเนี้ก็กังคิดดูทีไม่ใช่โลกคิดเลยไปเป็นโลกมันดินน้ำไปลมแล้วมันคิดเลยไปีไป้ยเออขึ <c ười> ้ น, นล เ, เลยไปเฉยเลยอะไรนี่ไปถึงเราไอ้ไลูกวะไง ให้ลองคิดถ้าเราเกิดมีความเข้าใจว่าโอ้ยมีคนมีใครคนใดคนหนึ่งนี่นะไปเอาดินขึ้นมามากอดร้องรู้รักลู ก, ลกมั้งแล้วจะมีความรู้สึกคนคนนั้นเป็นคนดีไหมปกติไหมอ่ะคนอา้าวเราก็ไปเอากอดดินน้ําไปร้งเหมือนกันว่า<แ>ลูกลูกเหมือนกันแล้วปกติไหม <c oughs> เขาเรียกว่าผลิตมนัตสุการอันนี้เรื่องจริงนะโอ้ยผลิตมนัตสุการมากเอเรามานั่งก่อดินเนี่ยเออเอยอย่เนี่ยอย่าลองนะลูกนะอย่างนี้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 โ <sh ory> อ้โหได้บุญเยอะเลยคุณแโอ้โหอันนี้สองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยว่าการคิดล่วงเลยเนี่ยมันคิดแบบนี้เริ่มจะมองเห็นเไอะว่าต่อไปมันจะได้ปรับจูนวิธีคิดเราได้ถูกว่าอะไรคือเป็นการคิดเกินเลยอะไรที่มันคิดผ่านคิดเลยไป ใช่ไหมมันเลยพอดีไปแล้วบางทีมันคิดไม่ถึงกับมันคิดเลยมันไม่เข้าสู่มชิมาปฏิบัตธรรมไม่ตกล่องมัชิมาปฏิบัติเลยมันเข้าไปก้าวล่วงส่วนสุดรสองอย่างอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเดี๋ยวจะจ ะ, จ, ะจะจะชักสูตรไม่เห็นว่าจริงๆการคิดล่วงเลยเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะดึงสูตรมาประกอบให้ให้ดูว่าการการคิดเลยล่วงเลยนั่นคิดยังไง อตอนนี้ใช้ได้เลยเนะี่ยเดี๋ย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวหยิบสูตรไม่ดูเพรว่ากรณี่งการคิดเลยเถิดเนี่ยนะคิดการคิดล่วงเลยไปนะ่ะเป็นเป็ น, ปนไปในลักษณะอย่างไงพระพุทธเจ้าบอกนะพุทธเจ้าสอนบอกว่าในความเข้าใจเนี่ยนะพุทเจ้าบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องเนี่ย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 ก็คือบอกว่าเขาถามว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยนะถ้าพูดถึงในเรื่องของเรื่องวาทะก่อนสัตสตาวาทะกุเฉตวาทะคือรัฐที่ที่ถือว่าเที่ยงกับลัที่ที่ถือว่าขาดศูนย์เนี่ยนะดูก่อนพรามณตถาคตไม่เข้าไปติดส่วนสุดทั้งของสองอย่างนั้นเราแสดงธรรมเป็นกลางๆว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร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 สิ่งทั้งปวงเป็นภาวะหลายอย่างเป็นโลกาฏฐะนั่นเป็นส่วนที่สี่เป็นต้นนั้นก็ว่าไปอันนั้นเนี่ยอันนั้นก็คือเกี่ยวในสูตรต่างๆอันนั้นไม่ยกมาในในนิทานวักที่อีกส่วนหนึ่งก็คือสัจสาวาท่าเฉตวาท้าเปนส่วนหนึ่งส่วนอีกคู่หนึ่งก็คือเกี่ยวเรื่องของอัตตะการวาท้าหือสยามการวาทาะทารถิว่าได้สุขทุกเป็นต้นใน ต, น, ตนทําเองนี่รัฐิหนึ่งนะดูเหมือนถูกนะเห็นรทฐิเนี่ย แต่มันไปนเข้าใจว่าตนเนี่ยเป็นผู้ทําไอ้ทิถีนั่นแหละครับไอ้ทิถีก็เป็นผู้เสวยซะเองอย่างนี้เป็นต้นเลยนะส่วนพระตารวาฏะหรือทิถถือว่าสุขทุกข์เป็นต้นเน่ยเกิดจากตัวการภายนอกทําให้สุขทุกข์จะไม่บอกว่านู่นแหละมีคนโดนบันดาญอยู่มีคนคอยจ้อมโดนบรรดาญเลยก็ว่าไปเถอะนั่นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่เงี้ยน้อยในบรรดาพกทธทิถทั้งหลายเนี่ยถ้าพูดถึงทิถีเนี่ยถ้าขยายตามสูตรเนี่ยนะทีนี้ในสิ่งต่างๆความสําคัญในแง่ของหลักต่ำเนี่ยนะ แต่เราเข้าใจหลักกรรมเทีนั้นตรงนั้นก็นี่มาสังเกตตามแนวพุทธพจน์เขาก็ถามว่าทุกเนี่ยตนเองทําเองเขาถามบอกว่าทุกเนี่ยตนทําเองหรือถ้าตอบบอกว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นทุก ต, ทตัวการอื่นทําให้ใช่ไหมบอกว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นทุกตนเองทําด้วยตัวการอื่นทําด้วยใช่ไหมอย่ากล่าวอย่างนั้น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 คิดตีามันจะตกล่องวิชาท่ถีอยู่เรื่อยเลยเนะี่ยทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าตะถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดสองข้างนะั้นี่พอเห็นชัดไหมตรงเนี้ยเป็นความเห็นชนิดที่เรียกว่าเป็นกลางๆไม่เอียงไปสุดข้างใดข้างหนึ่งตรงนี้นี่แหละที่มัชฌิมาปฏิปทานเะนี่ย คือที่บอกว่าในสัมมาธิฏฐิสูตรก็ดีในมหาจตารีสกัสูตราาเป็นต้นก็ดีในสถิปติฐานสูตรเป็นต้นก็ดีนี่น ะ, ะในคําสอนต่างๆที่พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้เนี่ยก็คือแสดงหลักมัชฌิมาปฏิปทาก็คือการไม่เอียงไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งเป็นมัมชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าจากไม่เอียงก็ไปหาสัตตาวาทัอุเฉรวาทะ นรสัตการวาฏะสยังการวาฏะรัติวสุขวัขตุขต้นเนี่ยมาเองหรือประการะวัฏะรัติวสุขทุกข์เป็นต้นเกิดจากตัวการภายนอกธรรมเนี่ยพระเจ้าไม่ได้เอียงไปอย่างนะแล้วก็ไม่เอียงไปหาตัณหาไม่เอียงไปหาโทสะใช่ไหมการมาสุขาริการุโยกอัตตกิรัมถานุโยกพระองค์ก็ไม่เอียงไปอย่างนั้นนะตร ง, เ, ง, งนนเนี้ยทีนี้ก็มาดูอีกนาติกาวาทะกับอัติวาฏะกับนาติกาวาทะ ละที่ว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่กับละที่ว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีอยู่จริงค่าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี้แค่ไหนแค่ไหนเรียกว่าสัมมาทิฏฐิพระเจ้ากัจจายนะโลกนี้โดยมากอิงทฤษฎีของตนนะเขาว่าอิงทฤษฎีของตนนี่อิงอะไรอิงทิฏฐิของตนเนี่ยก็โดยสรุปแล้วก็คือว่าบางคนเนี่ยเอาบางคนเป็นปุพันตากปฏิกะ ทิถีเนี่ยเป็นทิถีในส่วนของอดีตเนี่ยก็อิงนั่นแหละอดีตนั่นแหละบางคนก็เป็นอั ป, อปรันตา ก, กับปิกาทิถีเป็นกลุ่มประเภทมิจฉาทิถิที่ว่าเป็นไปในส่วนของนาคก็อิงทิถีตัวเองนั่นแหละใช่ไหมบางคนเป็นสัตตาวาทาก็อิงสัตตาวาทา่าเรื่องในบรรดาบรรดาปุกพันตา ก, กับปิกะวาทาทิถีเนี่ยก็ยังมีแยกประเภทอีกเยอะใช่ไหม ประเภทที่เที่ยงบางอย่างก็มีเที่ยงทั้งหมดก็มีเนี่ยแล้วประเภทที่เที่ยงนั้นโดยการที่ตนเองระลึกชาติได้หนึ่งชาติก็มีจนถึงสิบชาติก็มีจากสิบชาติไปจนถึงแสนชาติอย่างเงี้ยจากสิบกลับไปจนถึงสี่สิบกลับก็มีอย่างเงี้ยแล้วก็ประเภทนักคิดนักคาดทะเน่นักเดานักคํานวณทั้งหลายที่เห็นว่าเที่ยงก็เยอะหรือเห็นว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงอีกล่ะอีกตั้งเยอะใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย ไอ้กลุ่มเกี่ยวในเรื่องของความเห็นว่าว่ามันก็นแล้วแต่ว่า ม, มันคนโดยส่วนมากเนี่ยในโลกเนี้ยอิงทฤษฎีของตัเองอิงทิฏฐิของตัวเอ ง, องทององนันที่มานั่งคุยคุยกันอยู่เนี่ยเอาทิฏฐิมาคุยกันโดยส่วนใหญ่เข้าใจไหมเนี่ยมันนั่งประกาศกันปลฟาเาเนี่ยโดยมากมันนั่งประกาศทิฏฐิ ถ้าเราเข้าใจทิฏฐิดีเราจะสลดใจถ้าเราเห็นคนบางคนพูดอะไรพํามล้ ำ, ำ, ำไปเรื่อยๆเนี่ยมันน่าสลดใจเลยเขาประกาศทิฏฐีเขาคนในโลกเนี้อย่างที่พระพุทธเจ้าว่าเลยถ้ามีทิฏฐีประเภทที่อุเฉะถ้าทิฏฐีเขาก็พูดไปทั้งอุเฉทัถ้าเป็นสัสจะทิฏฐีเขก็พูดเองไปทังสัจจะทิฏฐี ยังไงถ้าเป็นอ้ยทุกกาทิฏฐิเขก็ไปอ้าทุกกาทิฏฐินากติก า, าทิฏฐิก็เป็นนักติกาทิฏฐิอกริยบทิฏฐิก็เป็นอักเริยบทิฏฐิแล้วในบรรดาสักย์ยะทิฏฐิก็ยังมาแยกนะกลุ่มเราท่านทั้งหลายเนี่ยบางคนก็โห้โลูกจ๋าเลยยึดมันในรูปมากดีไหมเพราะสาคัญอย่างไรเข ก, ก็ประกาศทิฏฐิเขา้ามาทุกอย่างที่เขาพูดทุกอย่างเขาทํานั้นชื่อว่าสัตว์นั้นกําลังประกาศทิฏฐิอ ง, งองอยู่นั่นแหละเราท่านทั้งหลายจะได้เห็นกรรมที่ท่านเหล่านั้นกําลังทําอยู่เห็นไหม อันนี้นบอกว่ากรรมไงใช่ไหมกําลังมาดูบุญดูบาปใช่ไหมก็มาดูเขากําลังประกาศทิฏฐิกันแสดงทิฏฐิไงอันนั้วเร า, าก็ไปแสดงกับเขาด้วยอก่อน <c ười> เราไปแสดงสมาธมิทิฏฐิหรือจะไปแสดงวิจารณทิฏฐิตอนนี้ให้เป็นสมาธิทิฏฐินะนั่นแหละนั่นได้มื่เราเจ้าก็จะเห็นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวกลับไปแล้วก็ไปประกาศยืนยัน เราไปฟังธรรมคือถ้าประกาศว่าเราไปฟังธรรมแล้วมีความเข้าใจถูกในขนาดนั้นเนี่ยชื่อว่าไม่ได้ไปประกาศ ท, ทิฏฐิหรอกแต่ไปประกาศสมาทิฏฐิคือคือเราไม่ขัดกับชาวโลกตามพรพุทธพจน์ตามพ ร, ริเจ้าเลยเราเข้าใจว่าบัญญัติที่ชาวโลกเขาบัญญัติเนกินความแค่ไหนแต่สภาวะที่เป็นจริงนะั้นมีอยู่จริงแค่ไหนใช่ไหม นั้นต่อไปถ้าเราเห็นถ้าเราจะพัดภา พ, พจากดินน้ำไฟลมเนี่ยมันจะไม่ถมมันนะใช่ไหมมัม่นใจหรือเปล่าโอถ้าดินน้ำไฟลมเอโอตรงนี้ใช่ไ้มโอ้โหใครมาขีดรถเรานี่ เอาแล้วดินน้ําไฟลมหายไปจริงแล้วโอ้ดินน้ําไฟลมตรงนี้เป็นรอยซะใหญ่ลึกเลยมื่อเจ็บใจแท้ใช่ไห ม, ไหมเพราะมันไปทิฏฐิมันไปวางกําลังไว้หมดนะลูกคาไว้หมดแล้วไปถางแท่สมัยิทิฏฐิไปถางไปไข้ควรไปพิจารณาเผาทิ้งเลยเผาอีกความิอี สรุแล้วว่าจะจมสมาทานต่อว่ากันที่พูดอย่างนี้จะสมาทานต่อมาดูประเภทภาษานักกีฬาก็ตาลอยแล้วกรรมการจะโบกผ้าอยู่แล้วบอกไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ทิดไม่ซ้อมอะไรมาเลยอย่าจาอาหารจะมาสู้อตรงนี้ดูต่อนะ เมื่อบางกลุ่มก็เป็นประเภทอัตตาความมีนะคือในกภาวะสองอย่างอัตตากับนัตตากับความไม่มีเมื่อเห็นโลกกระสมูไทยตามที่มันเป็นไปด้วยสัมมาปัญญานะหรือสัมมาปัญญาเนะอัตตาในโลกนี้ก็ไม่มีเมื่อเห็นโลนิโรทะตามที่มันเป็นไปด้วยสัมมาปัญญานะอัตตาในโลกนี้ก็ไม่มีอันนี้เรื่องจริงนะถามบอกว่า ไอ้ความเห็นว่าเคนความเห็นว่าไม่มีเนี่ยความเห็นว่าไม่มีเนี่ยเพราะเราไม่เห็นโลกอยู่ข้องไม่เห็นโลกกับสมุทัยใช่ไหมคือไม่เห็นสมุทัยยะสัจจาพอไม่เห็นสมุทัยยสัจจาไม่เห็นตัณหาว่าเป็นเหตุเกิดแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยความเห็นว่าไม่มีเนี่ยมันไม่ถูกทําลายสัตว์โลกทั้งหลายบางทีบอกว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเนี่ย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 แต่ถ้าหากคนที่ไปเห็นโลค ก, กับสมูทยัยคือตัญหาซะแล้วเนี่ยนะว่าเป็นโลคกับสมูทัยแล้วเนี่ ย, กก ไ, ย, ยไอ้นัตถิตาเนี่ยนัดความเห็นว่าไม่มีของเขาก็จะดับหายไปนเนี่ยเพรโทษเนี่ยส่วนอาติตาบางกลุ่มเห็นว่ามีใช่ไหมแต่มีแบบประเภทที่เข้าใจแบบผิดๆพลาดๆเนี่ยเขาไม่เห็นโนิโรโลคกับนิโรโล ก, กั น, นิโรดคือไม่เห็นความดับทุกข์ถ้าเขาเห็นความดับทุกข์ตามด้วยสมัมมาปัญญาเนี่ยด้วยสัมมาปัญญาเนี่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 เป็นรื่องยาวกันเลยแลยถ้าบอกมันถูกไปแล้วเนี่ยจะทําไงว่ามันถูกใช่ไหมถ้าถูกแล้วมันพร้อมแก้ไขไหมไม่พร้อมแล้วตรงเนี้ยเคยไหมถูกแบบแบบว่ามันจานนได้เหตุผลแต่ยังไม่เชื่อเคยเป็นไหมเหตุผลตักไว้หมดแล้วแต่ยังไม่เชื่อจะต้องไปหาเหตุผลใหม่มาคัดละ่ะนี่ต้องไม้ยาที่ตีมันแรงขนาดนั้นเนะี่ยมันไม่ยอมบอก ขัดแยงแ้งไม่กระทั่งกับพระพุทธเจ้าทั้งๆที่บารมีและข้ อ, อตรนเองก็ไม่ได้ไม่ได้ทํามาเลยว่างั้นเถอะใช่ไหมเนี่ยเราไปดูว่าโอ้พระธรรมของบุตรเจ้าเนี่ยคนละเรื่องเลยอ่ะในจำนวนก็ว่าอะไรน้ํามันราชสีกับอะไรเนะี่ยนะว่าอะไรนะี่โอ้พระเ้าหน้าทองทําแก้วอะไรนี่ยอ๋อ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 แล้วก็ไปจอถึงการดับดังที่ได้กล่าวไว้แล้วที่นี่ในะอีกเรื่องหนึ่งถามอะนักโลกายตะโลกาญาคนหนึ่งก็เฝ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญสิ่งทั้งปวงมีอยู่หรือเคยถามอยู่ไมพระพุทธเจ้าตอบบอกว่าสิ่งทั้งปวงมีเป็นโลกาญาติหลักใหญ่ที่สุดถามว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีหรือ สิ่งทั้งปวงไม่มีเป็นโลกายะถาที่สองก็หมายความบอกว่าถ้าบอกสิ่งทั้งปวงมีเนี่ยเป็นเป็นโลกเป็นโลโลกายะถาเนี่ยใหญ่ที่สุดนีอย่างหนึ่ง <S 2> <S 2> สิ่งทั้งปวงไม่มีก็เป็นโลกายะถาที่สองสิ่งทั้งปวงเป็นภาวะเดียวนะเป็นเอกถาเอากตาใช่ไหมปองก็บอกว่ายะอบอกส ถ, ถาคขดย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆนะไม่เข้าไปใกล้ไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดต่างๆเป็นต้นเหลนะ่านั้น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 แต่คนไปเข้าใจไอ้ตัวเวทนาขนานว่ามีผู้เสวยเวทนาก็ไปยึดถือบอกว่าสุขทุกข์น่ะตนเองทําใช่ไหมใช่เราหาว่าว่าเป็นอย่างนั้นไม่เพราะความเข้าใจเวทนาก็เป็นอย่างผู้เสวยก็เป็นอีกอย่างยังไไปเข้าใจอย่างเนี้ยจนเกิดความยึดถือว่าผู้ถูกเวทนาทิมแทงรู้สึกสุขทุกข์ตัวการอื่นทําให้บ้างคือในกลุ่มที่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 จึงปรุงแต่งกายยสังขารก็เอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกายยสังขารคือเจตนาที่เป็นไปปุงแต่งกายทั้งหลายเนี่ยนะนี่ไหมว่ามีอวิชาเป็นปัจจัยแล้วเป็นปัจจัยเกิดสุขทุกภายในบ้างเนื่องจากผู้อื่นทูกคนอื่นหรือตัวการอื่นๆกระตุ้นให้ชักจูงก็ปุงแต่งกายได้เหมือนกันใช่ไหมปุงแต่งกายกรรมกายยสังขารก็เป็นปัจจัยเกิดสุขและทุกภายในบ้าง รู้ตัวอยู่กระปุงแต่งกายสังขารเป็นปัจจัยเกิดสุขสุขไรทุกภายในบ้างไม่รู้ตัวกระปุงแต่งกายสังขารเป็นปัจจัยเกิดสุขทุกภายในบ้างและกระปุงแต่งวัชีสังขารก็เป็นไปอย่างเนี้ยปุงแต่งมโนสังขารด้วยเนื่องจากผู้อื่นบ้างตนโดยรู้ตัวบ้างโดยไม่รู้ตัวบ้างเป็นปัจจัยเกิดสุขทุกภายในในกรณีเหล่านี้อวิชชาเข้าแทรกอยู่แล้วนี่เขาเรียกว่าความเข้าใจ ความเข้าใจว่าเป็นถ้าเข้าใจถูกเนะี่ยจะเข้าใจลักษณะอย่างนี้ถ้าเข้าใจผิดจะไปเข้าใจมีตัวการดําเนินการนะมาจากคาว่าการะกะเวทนาทิเอกัตตะ ว, วาทะเนะี่ยพวกนี้ถือบอกว่าผู้ทําและผู้เสวยผลเนะี่ยเป็นต้นเนะี่ยเป็นตัวการเดียวกันพวกนี้เนะียเออนี่นี่นี่กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกการะกะเวทกา น, านิทาน ว่วาทะก็ถือว่าผู้ทําและผู้เสวยผลเป็นต้นเป็นคนละอย่างคาจากกันตัวการที่ทํานั้นนะนะเขาถามว่าตัวที่เสวยอ่ะอันนั้นนั่นหรือหมายความว่าตัวเสวยคือผลนี่นะไอตัวที่เสวยคือตัวผลเนี่ยก็นั้นใช่ไหมเขาตอบว่าตัวที่ทําก็นั้นตัวที่เสวยผลก็นั้นเป็นที่สุดข้างหนึ่งนี่เป็นที่สุดข้างหนึ่ง พุธเจ้าไม่เข้าไปคงแวะที่สุดสุดๆ ด, ดแบบนี้ตัวที่ทาก็อย่างตัวที่เสวยก็อย่างตัวทาก็เหตุตัวสวยคือผลนี่นะเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมตัวที่ทาก็อย่างตัวที่เสวยก็อย่างเป็นที่สุดข้างที่สองอย่างที่สองตถาคตก็ไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองอย่างนั้นเ่ยมองเห็นไหม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 ต่มาก็ถามพระองค์พู้จเจริญชารามรณะคืออะไรชารามรณะนี้ของใครพระเจ้าจะตอบว่าเธอตั้งปัญหาไม่ถูกนชล า, ามรณะคืออะไรชารามรณะนี้ของใครถ้าชารามรณะนี่นแก่ความแก่และความตายเหรอใช่ไหมชาราคือความแก่นี่ตอบได้มรณะคือความตายนี่ตอบได้อะไรคือแก่อะไรตายก็คือสภาพของขัน ธาตุอยายตะนะที่แก่ขันธาตุอยายตะนะที่ดับพบหนึ่งหนึ่งเนี่ยใช่ไมตางนี้ได้แต่ว่าของใครนี่จบเลยใช่ไมถ้าไมเอาปัญหาปรม า, กศ า, ศ า, ศ า, ศาสกษัตริยบุคคลไปปนกันใช่ไหมการตั้งคำถามไม่ถูกการตั้งแบบนี้ต อ, ตอบได้ไหมเราก็ต้องบอกว่าคุณต้องถามใหม่ไม่ใช่ถามอย่างเดียวนะปรับความเห็นของคุณใหม่ด้วย ใช่ไหมใช่คนบางคนเนี่ยเข้าใจผิดเขาให้ตั้งปัญหาใหม่ก็ตั้งแค่ปัญหาแต่ไม่เปลี่ยนความคิดรูอ <c oughs> ปล่าความเห็นได้ ว, ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอยู่จริงเลยถามว่าแครามอญนะเป็นของใคร เ, เป็นของใครพญาทีเป็นของใครใช่ไหมแล้วเา พยาที่เป็นของใครมันก็ไม่มีของใครใช่ไหมมันเป็นชื่อของความเจ็บป่วยของขันเนะี่ยใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างสัตว์โลกที่เข้าใจผิดเนี่ย mm. พ่อเราป่วยแม่เราป่วยลูกเราป่วยตัวเราป่วยแล้วมันมีอยู่จริงไหมตัวเราเนี่ยแต่พญาที่มีจริงไหมเนี้ยขันมีจริงไหมสภาพขันที่ทุกทรมานมีจริงด้วยขันที่ป่วยมีอยู่จริงๆงด้วยแต่เราป่วยมันไม่มีจริง ต้องถอนตัวเนี้ยถอนมิจาทิ่ฐิก็จะเข้าไปเพิอถอนไปไข่ควรไปพิจารณาไปไตรตอองนี้นะึ่ยแล้วเมื่อไหร่จะเข้าใจแล้วทีพูดอย่างนี้เรียนยากไหมแบบนี้ยากไหมพระเจ้าแสดงธรรมแบบนี้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 อย่างศรีรคก็อย่างการกองชีวิตอันประเสริฐคือพรหมจาร์ก็มีไม่ได้แต่ฐาคตไม่เข้าไปติดที่สุดสองอย่างนั้นย่อมแสดงทำเป็นกลางๆเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชะลามรณะเงี้ยนะชาติมีเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชะ ล, ลามรณะจึงมีพระเจ้าแสดงอย่างนี้ข้าแต่พระองค์พระเจริญชาติพบอุปาทานเป็นต้นท่ากสถามนะชาติพบอุปาทาน ตัณหาเวทนาภาษาสราญตนะนามโลกวิญญาณสังขารคืออะไรของใครตรงเอกบ่าเดอตั้งปัญหาไม่ถูกตั้งปัญหาไม่ถูกเ พ, ออาพออราะวิชาเพราะก็จะว่าไปตามลำดับทีนี้ยเป็นความเห็นที่บิดเบือนนะขัดกันถ้าชรามรารณะคืออะไรชรามราณะเป็นของใครในการตั้งนี้ตั้งไม่ถูกชรามราณะก็อย่างใช่ไหมเจ้าของชรามราณะก็อย่างก็ดีเป็นต้นอะไเนี้ย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 เพิ่งเห็นว่าการรมเก่านี้เป็นปัจเป็นสิ่งที่ปัจจัยปุงแต่งขึ้นถูกปัจจัยจำนงขึ้นมาเกิดจากเจตนาและเจตนาเป็นมูลเป็นที่ตั้งของเวทนาะเอาเลย น, เนี้นะมีกรรมนั่แหละเป็นปัจจัยของเวทนาในส่วนหนึ่งในดิตภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้อริยาสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้วย่อมพิจารณาสืบสาวด้วยโยนิโสมนัสการเป็นอย่างดี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 เดี๋ยวมาสรุปตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ตามไปดูในที่ติีคาถาในด้านของอาัจฉาริไม่ว่าในคำพีวิพังในพระไตรปิฎกในพระสุตตานตปิฎกอะไรต่างๆ่างเหล่านี้นะท่านก็ให้จำกัดความกัาไว้ในเรื่องของเอตังมะมะเอโสมาสมิเอโสเมียตาติไอตัเนี้ใช่ไหมนี่เป็นอิมันมี คือถ้าเราต้องการจะเข้าใจตัณหามาติทีเนี่ยท่านแสดงไว้ท่านีพระไตรปิฎกเนี่ยมีอยู่ประมาณหกหกชุดมีจำนวนหกชุดเยอะแยะไปหมดเลยเนะหกชุดเนี่ยนะคำว่าเอตังม ะ, มะมะเนี่ยก็แปลว่า น, นี่ของเราเอโสหมัสมี เราเป็นนั่นก็ได้นั่นของเราก็ได้นะนี่ก็ได้นะเมื่อไรแต่จะลงเนี่ยนั่นของเราก็ได้หรือนี่ของเราก็ได้นะเอตังมะมะเนี่ยเอโสอามัสมีก็คือเราเป็นนั่นหรือเราเป็นนี่เนี่ยนะไม่ใช่เป็นนี่ใครเนเราเป็นนั่นเอโสมตตาติ <c oughs> <c oughs> นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราท่านก็เลยกล่าวกันบอกว่าเอตังมะมะนี่คือตัณหาว่า้น เอสโอมัสมีนี่คือมานะเอสเมอัตตาตินี่ก็คือทิฏฐิใช่ไหมก็เลยบอกว่าตัณหามานะและทิฏฐิทีนี้ในชุดที่สองมาจากคาว่าอาหารติอาหารติวาเนี่ยนะอาหารติวาบอกการถือว่าเราเมมันติวาบอกว่าว่าของเราอัสมีติวาก็คือหรือว่า เราเป็นฮะ huh? <Yeah. S 1> อันนี้คือชือดที่สองฟังก็ข้าวก็แล้วกันชือดที่สามอาหางการมมังการแล้วก็มานานุสัยอาหารการในการถือว่าเรามมังการการถือว่าของเราแล้วก็มานานุสัยเป็นอนุสัยคือมา น, นะในชือดที่สามในชือดที่สี่เมื่อมายี่ตะ การยึดถือว่าเราหรือมะมัตตะก็คือว่าของเราหรืออัศมีมานะมานะว่าเราเป็นในชุดที่สี่ชุดที่ห้าอัตตาอัตเนียมี2ศงสับเนี่ น, 5, นะรรนนะบวกอัศมีตีอ่ตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตนชุดที่หก็คือตัณหามานะทิ่ฐิมีกระามโดยพิจารณาในเออในชุดที่หนึ่งเนี่ยพบบ่อยมาก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 มาจะคําว่าเอตังมามะเอโซอมัสสมินะเมเสโมอัตตาทีนี้มันก็ตรงกันข้ามกับคําว่าเนตังมะมะถ้าเนตังมามะแบบนั่นไม่ใช่ของเราเนโซอมัสสมิว่า ก, ก็ก็บอกว่าเราไม่เป็นนั่นนะเอโเมอัตตาติก็คือนั่นไม่ใช่อัตตาของเราใช่ไหมอันนี้คือวิปัสสนานเนี่ย จะไปทุกขาทุกปั ส, สนานิจารณุปั ส, สนาแลรวก็หน้าตานุปั ส, สนาเข้าใจใช่ไหมตรงนี้นะเนี่ยเข้าไปเข้าไปเจาะตรงนั้นก็ไปดูในะพระวินัยตัวอย่างสแสดงไว้เยอะนี่ชุดแรกอ่าเมื่อกี้เราก็ไปดูควอมเปรียบเทียบเลยที่เราเรียนมาในด้านทีฏฐิกถาโอ้วันนี้เ <laughs> ฮะทำไมทำท่ามือเรียนคำสอนพระเจ้าใช่ไหมบอกโอ้ดีจังเลยคำสอนอพระเจ้าเนี่ยนะเออในในอัตถกถาท่านบอกว่านั่นของเราเนี่เอตังมามะเป็นทิฏฐิที่มีความสําคัญเรื่องอำนาจของตันหาเป็นมูลใช่ไหมเอาตรงนี้ชัดดีเออตรงนี้ชัดดี เราเป็นนั่นนี่เอโซฮามัสมีเป็นทิฏฐิที่มีความสัางคันเรื่องน่นาจึ่งมานะเป็นมูลเนี่ยนะพูดเรื่องทิฏฐิไหมนันทิฏฐิที่สองนี่มีอะไรเป็นมูลมีมานะเป็นมูลทิฏฐิแรกนั้นมีอะไรเป็นมูลฐานาเป็นมูลเอโซมีอัตตาตินั่นเป็นตัวเป็นตนของเรามีอะไรเป็นมูลไอตัวทิฏฐิเองนั่นแหละใช่ไหม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 ถ้าจะอ่านไปใจพิดดกต้องมีข้อมูลเนาะต้องมีข้อมูลถ้าสรุปข้อมูลไม่ได้เปนนั่งอ่านนาัลล่งงงถ้อ่านไปเรื่อยๆ เ, เลยเดี๋ยวบุญเก่ามาส่งผล <c oughs> จริงมันแปลกมากอ่านไปที่ศึกษาฟังทำไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวเดี๋ยวเวบออกมาเองเออประลาด แต่ไม่ใช่นอนหลับเฉยเนี่ยต้องค้นคว่านี้ยเดี๋ยวความเข้าใจเริ่มไม่รู้ตัวด้วยนะใช่ไหมนี่ยเราฟังมเนี่เราในว่าเราไม่ได้เข้าใจเราต้องไปนั่งคุยคนอื่นด้วยยี่เราจะไมมีความเข้าใจขนาดนี้นะเออหนือทิฏฐิขึ้นมาอีกรเดี๋ยเนี้มาน่าขึ้นจังเลยนเต็มเขาโอ้เขาไม่รู้เหมือนเราอ่ะนั้นนั่นต็มันจะมีทิฏฐิประเภทหนึ่งทับซ้อนขึ้นมาเลทิฏฐิว่าเราดีกว่าเขามีมานาเป็นมูล ยี่ตังมามายี่โซ่ยโซมาสามีเนี่ยบางทีเห็นไหมทิฏฐิเนี่ยบางครั้งมีตัณหาเป็นมูลบางครั้งมีมานาเป็นมูลบางทีตัวที่ติเองนั่นแหละเป็นมูลเขาเองให้สะเก็ดนะนะมันจะมีสามตัวนี่แหละแต่สรุปแล้วเนี่ยที่จะไม่เห็นผิดนั้ไม่มีเลยนี่ได้เข้าใจเสียที่จะไม่เห็นผิดนั้ไม่มีเลย จะมีตัญหาเป็นมูลมีมานาเป็นมูลแม่ทิฏฐิเป็นมูลเองที่จะไม่เห็นผิดไม่มีเลยไอตัวไหนตัวไหนดีกว่ากันไม่ยอมเที่ยบเที่ยวให้ดีเลยเนี่ยแต่จริงๆตรงนี้ท่านต้องการแสดงอะไรท่านต้องการแสดงวิชาทิฏฐิตรงนี้พี่นิเวศความถือผิดเพราะอาจว่ายึดถือคือตั้งมั่นเริ่มหน้าถึงนความ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 เรายังดีกว่าเขาเรายังได้พาฟังาตาม่ำอยู่คิดเลยเนอ่างนี้แล้วก็มีทิฏฐิใช่ไหมมันจะเป็นอย่างไ้นหน่าสงสารเขานะเขาไม่มาฟังทาเหมือนเราอะไรเลยมันเลยมิดเลยไปถึงมาหน้าก็จนนะคิดเลยแล้วจะคิดยังไงเป็นสมาธิใช่ไหมอ้าวถ้าเราไปเห็นคน อายกตัวอย่างครัการเห็นไปเห็นคนกําลังประมาทมัวเมาประพฤติทุจริตอายคิดยังไงให้เป็นสมาธิิอายคิดยังไงให้เป็นวิชาทิษฐอายคิดยังไงอ่ะประกาศไปก็ไปเห็นโลกเขากําลังเล่นดนตรีสนุกสนานอย่างสมมุติน่ะ ลเล่นดนตรีกำลังสนุกสนกานใหญ่คิดยังไงให้เป็นสมาธิที่คิดยังไงให้เป็นคิดให้เป็นวิจฉาทิฏธิก่อนนะคิดง่ายมากเลยแล้วคิดให้เป็นสมาธิจะคิดยังไงเาจะคิดยังไงดี มีคนก็เคยเล่าไปบางก็บอกว่าลูกเขาไปเรียนไก็ต้องไปซ้อมดนตรีเขาบอกเออดีนะตั้งแต่ลูกเขาเรียนดนตรีมาเนี่ยรู้สึกสมาธ <c oughs> ิดีขึ้นทำไมสมาธิดีขึ้นก็้วกายเป็นคนนิ่งขึ้นมาแล้วก็รู้สึกสงบมีสมาธิทําอะไรรู้สึกเขาเขาเป็นคนสุ ข, ขุมมากขึ้นเจ้ว่างน เราจะว่าเลยนี่เราจะเห็นยังไงอะแต่โลกเป็นไปตามกรรมจะพิจารณายัางไงถึงจะสามารถมองเห็นว่าเอ้อตรงนี้สมาทิฏฐิเกิดขึ้นมาใช่ั้มมันอยู่ในระดับไหนกรรมสกตาสมาทิฏติหรือวิปัสนาสมาทิฏิถ้าระดับกรรมมัสกตาสมาทิฏติก็มองถึงกรรมมองถึงผลของกรรมมองถึงสิ่งที่เราพ้น และเราไม่พ้นไม่พ้นเนาะถามว่าสิ่งเหล่านี้เราเคยเป็นไหมเคยเป็นแล้วยังจะเป็นอีกไหมอ๋อแม่นำเองเลยอ๋ออ๋อสิ ก็สรบลงกุศลาธรรมมาด้วยเออลองสังเกตดูนะว่านางวิสาขาทำไมอยู่ในสังคมกับเขาได้เออเพื่อนเพื่อนของเธอเนี่ยกินเหล้ามอยาก็มีเนะนี่ะบริวารนี่ก็มีทําผิดได้เยอะหมดเธอก็อยู่ในแวดว ง, งนี้นั่นนี่ต้องไปศึกษาแล้ว ว่าทำไมเธอวางใจเป็นเธอมีกรรมสกทาสมาธิที่ชัดวิปัสนาสมาธิี่ก็ก็ไม่ทำไม่ได้ใช่ไหมสามารถสูงไปจะถึงมีวิปมัสสมาธิี่ได้อ่ะวิปัสนาญาณเดือขึ้นสูงระดับนั้นได้เลยอแต่เธอก็อยู่ในแวดว ง, งของสังคมมันมีการไปชมมีการกินเลี้ยงกันใช่ไหมก็มีการไปตามที่ต่างๆเดี๋ยวเธอก็ไม่ร่าเลยกันฟังนําแสดงทำสร้างวัดวาอารานี่ก็ทําไปดูแล้วสแสดงว่าโอ้ เขาเดินวิปัสสนาส ม, มาธิถิก็ได้กรรมสักตาส ม, มาธิถิก็ได้แล้วเขาก mm hmm. ็ารู้จักที่จะอยู่ในสังคมตรงนั้นด้วยใช่ไมใช่เขาเขามีส ม, มาธิถิ่นอยู่ก่อนแล้วที่จะอยู่กับสิ่องไรเราเห็นได้ไม่ใช่บางทีอะอย่างอนาถาพิณิกาเสตถีเนะี่ยมาบรรลุทั้งาอายุมากแล้วพระเจ้าวิมพนะิสารเนี่ยเป็นพระเจ้าเป็นดินแล้วถึงมาบรรลุมีเยอ <c oughs> ะแยะจำไ มีเยอะที่บรรลุอ่ะเขาบรรลุกันบรรลุกันตอนแก่ๆก็เยอะงั้นเขาอยู่ได้ยังงี้ใช่ไหมเพราะเขาเพียรพยายามเพราะเขาไม่เกียจกัรเขไม่เขาพาโรความเพียรตลอด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 เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ทําให้แจ้งแล้วถึงสดาปิฎมกี่ยังบรรลุสวดาปิผลี่ยังทําให้แจ้งในนิพพานของวสดามากสดาผลหรือยังนั่นแหละเขาคิดอย่างนี้เขาระดมความเพียรเลยเขาคิดแบบนี้ก็เขาฟังธรรม ใช่เขาก็ความธรรมนั่นใช่ไหมเขาคิดแบบเนี้ยบางทีเนี่ยตอนนี้ชาลาตอนนี้ชาามรณะไหมยังชาลาไหมยังใช่ไ ม, ไมแล้วถ้าชาลามากกว่านี้จะปฏิบัติธรรมได้ไห ม, ไมพอคิดอย่างนี้เขาละ d o ความเพียรยังเขาระดม m เลยนี่เขาคิดอีกอย่างตอนนี้ถามว่าต่อไปภิกษุที่รู้ว่าธรรมนี้ไหนจะไม่มีอ่ะ่างนี้เขาระดมได้ยังความเพียรต่อไปคนจะวิปลาตในพระธรรมอีกเยอะ แล้วเราจะไปฟังได้ยังไงน่ะตอนนี้ก็กำเร่งอะไรดนความเพียนแล้วเพื่อถึงทำที่ยังไม่ถึงมารู้ทำที่ยังไม่รู้ทำไม่แจ้งทุกทำยังรู้รู้ใหแจ้มก็ค่ายควรไป่ใชอีกเยอะแยะหมดทำไมไม่คิดมันมุคิดทั้นั้นแหละมุมตรเนี้ยครับฮะอ๋ออย่ันบอนก็พอพอคิดในลักษณะนี้ถ่าวว่าเรากรณีที่บอกว่าคิดเกี่ยวเกี่ยวกับลูกเนี่ยคนเรามันก็เกี่ยวข้องกันด้วยกรรมใช่ไหม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 ทีพอพิจารณาเบ็ดเสร็จเราเห็นเขากระทาในสิ่งที่ผิดบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องเรื่องปกติเถ้าถามว่าเออเราจะพิจารณาอย่างไงจะแนะนำอย่างไงถ้าแต่สิ่งที่ควรแนะนําก็คือแนะนําตัวเองให้ถูกคิดให้ถูกก่อนระดมวิธีคิดทำสมาธิี่ให้เราให้ถูกก่อนว่า อ, อกรรมสักกาสมาธิถี่ว่าสิ่งที่เขาทาเป็นกุศลหรืออกุศลใช่ไ้มเป็นบุญหรือเป็นบาปตอนนี้เขากําลังรับผลบุญหรือผลบาป เขารับผลบุญเขาอาจจะเกิดในถิ่นที่ดีต่างๆตอนนี้เขาระโยค่าสมบัติหรือประโยคะวิบัติแล้วเขาเพียนผิดหรือเพียนถูกก็ดูอย่างเงี้ยนะโหอถ้าเขาเพียนผิดเอีอ่เราจะหาอุบายทํำยังไงอให้เขาเป็นไปกับอเขาชอบเล่นดนตรีเอ๊ก็มีเทวดาท่านหนึ่งชอบดีดพินถวายพุทธิย่อเอาอะไชจะว่าเอาอะไรสิปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรเนี่ยเอเขาก็ได้บุญนี่ นักดนตรีชั้นเยียบของของของสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยอเอ๊ะทำไมเขาได้บุญล่ะอนักดนตรีคนนี้มันทำไมไม่ได้บุญโอ้มันระโยคาวิบัตินี่มันคิดไม่เป็นมันคิดจะบูชาพระเจ้าไม่เป็นเนี่ยเพราะเสียงอะไรต่างสามารถเราเป็นพุทธบูชาได้นี่ศรัทธาไงใช้เสียงบูชาก็ได้นี่ใช้การขับร้องบูชาก็ยังได้เลยใช่ไม่ใช่แต่ทําไมเออเขาคิดไม่เป็นถ้าเขาคิดเป็นเนี่ แล้วก็แล้วก็พิจารณาดูอีกเยอะแยะรายละเอียดใช่ไหมอันนี้ตั้งทงไว้นิดๆก็ไปไปต่อยอดแล้ใช่ไหมเออเพราะเขาทำยังไงก็บูชาคนลาบุงเลยไม่ทาไมไป็ําไม่ไป็ําทําไมไปลาบูชาตันหาไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ลาบูชาศรัทธาแล้วถ้าคนเขาได้ดีบได้ดีกันก็ตอนนี้พระเจ้าประสูตรตัสรู้ปรินิพานเนี่ยตอนโดยเฉพาะคนที่เขาตอนพระเจ้าตัสรู้ที่ว่าได้ตั้งแสนโกด รู้เน่ยมาไล่าลามันก็เต็มกลุ่มที่มีใครมีความสามารถทั้งไหนก็มาบูชาพระเจ้ากันเอาดิคนที่มีสามารถในการขับร้องก็ขับร้องสามารถในการกแสดงดนตรีก็แสดงดนตรีแต่เขาเขาไม่ได้ทำได้ใจที่มันเป็นไปกตัญหามา น, นะที่ที่เขาทําไปได้วยศรัทธาด้วยการบูชาใช่ไหมแจ้งนี่ก็เรื่อความสามารถตนเองมีอะไรก็เอตรงนั้นแหละบูชา นี่เขาดีกยวเาทำเป็นนี่เราเรามันพริกกรอบสะนี้นไปคนละมุมเลยเลยนีเราไปบูชาตันหานก็ไปเลยก็บวกกับคำคำก็นำปฏิสนธิแม่เดี๋ยวพอครบสามโมงครึ่ง่าเล่าเรื่องอะไรให้สลดใจแต่ต้องต้องต้อ ง, องปิดเทพเป็นเรื่องที่มันมันมันน่าสลดใจเลยถ้าเราฟังกันพุบเนี่ยเราจะสลดใจ <c oughs> คือฟังแล้วจะสลดใจแล้วแล้วก็พาไปดูได้เลยเป็นเรื่องที่โอ้โหฟังแล้วน่าสะดงสะเตือนยิ่งอาธมาเดี๋ยวนี้สะล่อตมากๆฟังแล้วโอ้โหน่ากลัวมากถ้ามันมันเห็นแต่ในตำราใช่ไหมเ้าปมไปเห็นของจริงมานี่โอ้โหีนี้เราจะคิดอะไรกันเป็นเรื่องเป็นเรื่อง <c oughs>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 ก้าวร่วงไปสิ่งที่ไปสู่สิ่งที่ไม่งามไปสู่สิ่งที่งามถามว่าเรามีบ่อยไหมปรมาศ า, าประเภทเนี้ยคิดทีไรนะก็เลยเลยไปถึงความที่อย่างบั่งความสุขบ้างความเป็นอัตตาบ้างความงามเป็นต้นบ้ใช่ไหมเราไปเห็นเสื้อผ้าพอเห็นโป้ขึ้นมาเราจะบ่นว่างามและไม่งามเห็นมันเลยใช่ไหม เะนึกถึงคําสอนผู้เจ้าแหมดินน้ําไฟลมมันนี่งามเนาะมันก็มันก็ยังงามอยู่เลยใช่ไหมไอตันหาไอตันหาก็ดีมานะก็ดีทิถีก็ดีเนะี่ยมันสามารถเรียนรู้คําสอนของผู้เจ้าได้เลยเนี่ยมันเรียนรู้เฉยเลยแล้วมันก็ไปยึดเป็นของมันอี่ว่ามันเรียนมาไง เพราะมันเข้าใจแล้วมันก็ดักเข้าไว้นะให้เข้าใจแค่นี้นะไม่ใช่เพื่อการถ่ายทอดนะเรียนเพื่อรู้เรียนเพื่อจําเรียนเพื่อเข้าใจเรียนเพื่อไว้อวดไว้อ้างเรียนเพื่อ่ให้คนรู้จักเรียนเพื่อลาบสการะเรียนเพื่อมีชื่อเสียงเนี่ยมันเอาแค่นี้แหละเรียนไปเสร็จก็พอแล้วได้บุญแล้วเงั้นมันบอกเราได้บุญแล้วอืนั่นแหละเพราะมันห้ามเราไม่ฟังไงเราก็จะมาเรียนได้ที่แรกมันห้าม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 เขาย้ายมามันจะบอกหมดแล้วยมันบอกว่าไปไม่ไหวแล้วว่ากันนะป่วยจักขนาดนี่ยไม่ไหวแล้วนี่ทิฏฐิตัะหนัมาลาทิฏฐิเนี่ยมันดักเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมะขยายวัตสุต้องทาให้เนื่องช้าเพั้นสิ่งใดที่มันจะนิดเดียวมันก็เอาเขาคิดว่าแม้จะหยุดจะพักเรื่งดีมันยังเอาเลย มันได้หายใจให้คอรฟังฟังวันนี้รู้ือมันทุกใจใเกินก็เป็นไหมละ่ะตนหานเป็นอย่างนี้ไมมันอึดอาดเวาฟังมากๆแต่ถ้าฟังแบบไม่จี้มันมากเนี่ยมันไม่ค่อยราวร้อ น, นะแต่มันจีมากๆมืนจะกลับบ้านโอตนหนานี่ร้ายกาจจริงๆนี่เนี่ยคือปรมาจา์ คือคือจริงๆเลยเสื้อผ้าของตันหาเนี่ยเวลามันไปถูกบียขึ้นมามันอึดอัดมันดิ้งนะเวลามันเรียนเรียนเรียนอไม่เข้าใจเลยปวดหัวทั้งวันเลยกะเรียนแล้วปวดหัวฟังทำของพระเจ้าเนี่ยฟังแล้วปวดหัว เรมาเออปลาดแทะวางฟังอ๋อตั้งหามาหน้าที่ตีมันเล่นงานเนอะใช่ว่ามันเล่นก็ทําให้เครียดเครียนี่ไงมันไม่มีความสุขหรอกไปเรียนนอะคือคือจริงๆเนี่ยการฟังว่าทำเนี่ยถ้าไม่เข้าใจก็ผ่านใช่ไหมเออมันมีโอกาสใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าไม่พยายามแล้วก็เพี้ยนไปยามแต่สังเกตใจในขณะฟังไปด้วย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 เดี๋ยวนี้อามาจะโยกภาษาบาลีบางเม่นไม่ได้เลยใชไหจะโยกศัพท์ทางวิชาการทางคำสอนบางไม่ได้เลยเราต้องเห็นใจคนฟังแล้วเขาเริ่มเขาเริ่มไม่เป็นพวกเราแล้วลองลองไล่ตามศัพพราะพาไปดีใช่ไหมก็จะเป็นก็ลองลองเป็นรยญยกับพ้าลองใช้ศัพ์ ตรงนี้ก็คือว่าประมาณสามีอยู่สองคำคำบอกว่ากล้าล่วงอาการนั้นอย่างหนึ่งรโรคคำยึดถือสิ่งอื่นคำว่ารโรคคำยึบยึดถือสิ่งอื่นนั้นหมายถึงอนะปกติแล้วก็คือถ้าไปรโรคคำเนี่ยแปลว่าไปยึดถือแล้วมันไปยึดถือผิดไอสิ่งอื่นในที่นั้นคือมันไม่จริงไปรโรคคำไปยึดถือในสิ่งที่มันไม่จริงนั่นแหละก็นั่นแหละเข้าสูตเดิมนั่นแหละ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 มีอัตตานิยมใชไหมว่ของเราของของเราใช่ไหมนี่มันยึดยึดลูกแล้วไม่พอนะไปยึดหลานนี่นเนะเหรนเนายไปไปอะไรเห็นไหมเนี่ยมันยึดเหมือนเป็นแทวในอาหารใเข้าวแบบนี่ตระกูลเรานี่มันยึดอย่างนี้เข้าใจไหมล่ะนี่การยึดของเขามันยึดแบบนี้ถึงบอกว่าการรู้เนี่ยได้ปัญญาเนี่ยรู้เหอะ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 หรืออภินิเวศปรามาศหรือปรามาโสโก็ได้นะก็สารีบุตรเทระย่อมวิสัชนาภาวะแห่งทิฏโดยกิจบอกว่าความถือผิดและความรูปเขามีประการอย่างนี้คือเป็นทิฏฐิคําว่าตีนีส้สตังเนี่ยตีนีส้สตังเนี่ยตีนีส้สตังนินแปลร้อยสามติงติงสัตสตังนินแปลร้อยสามสิบนี่นี่อะไรไปตีนีส้สตังเราสามร้อ ย, เ, ยเป็นวั จ, จนาวิราชนี่ นับโดยจำนวนอ๋อเข้าใจแล้วตีนี้ตะตังเนี่ยคืออย่างนี้ไอ้สามร้อยนับยังไงขันห้ายัตนาสิบสองวิญญาณหกผัสสะหกจักขู่สัมผัสสชาวทตนาหกสัญญาหกยตนาหกตันหาหกวิตกหกวิจารหกท่าหกกระสินสิบโกฏาษาสามสิบสองอายตนาสิบสองท่าสิบแปดยน4ีสิบ้าเนาะ ภาพอีก 23, ยี่สามปฏิจจดสบสองรวมเป็นร้อยก้าสิบสานับที่ตั้งเหทิธี่อีกแดและความก้มลมทิศทีอีก18บทิศที่สิบหอีกรวมเป็นสว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราแล้วทิศี่สิองรวมกันเป็นเสรเป็นสารอยดีเลยว่าไมไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยสามสคือในบาลีท่านใช้คำว่าสยาติงสัสะตัง130สามสิบ แต่อาตถาบอกตีนี้สตังสามร้อยสามร้อยวินีเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยพวกตัณหาไม่รู้คำสิ่งเหล่านี้นะ่ะถือผิดสิ่งเหล่าเนี้ยถ้าถามว่าเท่าไรเนี่ยโอ้โหปาไปสามร้อยเลยอาตถากระใหญยมาสามร้อยเลยตีนี้สตังยึดถือพวกขันห้ายตนาสิบสองเป็นต้นเนี่ยดูสิเนี่ยการรู้คำของเขาเนี่ยอภินิเวศปรมาศานี่เนี่ย เป็นความคลาดเคลื่อนแห่งวจนะตีนีสตังเป็นความคลาดเคลื่อนแห่งวจนะจริงๆมันมันเท่าไหร่นี่สยาติงส ส, ส, สตังร้อยสามสิบเนาะร้อยสามสิบเก้าเป็นสามร้อยพอดีอ๋อเป็นสามร้อยจริงๆสามร้อยนี่พนักนี้น้ำปสามร้อยจริงๆ เป็นการยกคำถามขึ้นมาท่านตอบ่าโสดาปฏิมาเป็นเครื่องกัน้นและเป็นที่ตั้งยนทิถีโดยไม่เอื้อเพื่อคาถามเป็นคําถามถอนที่ตั้งยันทิถีตัวนี้นะก็ตรงนี้ก็คือโอ้โหตรงนี้ถ้าใครเอาไปไล่ได้เนี่ยโอ้โหเอาไปพิจารณาได้อย่างนี้หมดเลยดิติกระจีกระจายเลยใช่ไหมไปนั่งใครควรพิจารณา ตอเที่เข้าไปก็ไปตั้งแล้วก็ไปว่ากันท้องกันนะนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราค่อยไล่ไปเดี่ยคันนั่นนะในเข้านะเข้าโห่เดี๋ยนมองอะไรทุกอย่างนี่เป็นสมัมมาทิฏฐิหมดเลยใช่ไใครเรียกแม่เรียกพี่เรียกน้านี่แทบไม่หันเลย <c oughs>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 ทีนี้ซึ่งรูปในะรูปังเป็นทุติยาวิพัฒน์การรูปคําด้วยความมินผิดซึ่งรูปซึ่งรูปนี้ได้แก่รูปปูปาทานขันก็คือสิริรูปเนื้พนอพึมกล่าว่าทิฏฐิคือความรูปคําด้วยความมินผิดวันนั่นของเราทิฏฐิความรูปคําด้วยความถือผิดว่าเราเป็นนั่นทิฏฐิมีความรูปคําด้วยความถือผิดวันนั่นเป็นตัวตนของเราสรุปแล้วก็คือนั่นนะคือมาจากคำว่าเอตังเป็นคำํำทั่วไปเป็นคําบางทีก็นี่ก็ได้ ด้วยคำท่านทำให้เป็นคำน่ปุงสัการิงและเอกวั จ, จนะว่านั่นเป็นเวทนาของเรานั่นเป็นสังขารของเรานั่นเป็นสัญญาของเรานั่นเป็นวิญญาณของเราคำว่านั่นนี่เอโสนะท่านเพ่งถึงสิ่งที่ควรจะกล่าวถึงจึงทำให้เป็นคำปุงลิงก็กลายเป็นว่านั่นของเรานี่เอตังมางมา เป็นทิฏฐิที่มีความสาคัญด้วยอำนาจถึงตันหาเป็นมูลเราเป็นนั่นกับเอโซเมหาสมีใช<__>เป็นทิฏฐิที่มีความสําคัญด้วยอํานาจถึงมานาเป็นมูลนั่นเป็นตัวเป็นตนของเราเอโซเมอัตานี่มีความสคาคัญด้วยอำนาจทิฏฐินั่นเอง<__>แต่นี้ตันก็มาขยายอีกนะขยายตรงที่ได้กล่าวเดิมนี่แม้จะขยายตรงนี้ยาวเลยเนะี่ยหมดเวลา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 เอโซมเมียมัสมีเนี่ยถ้าหน้าตาในปรสนาไม่ปรากฏเขานั่นเป็นตัวเป็นตนของเรานี่เอโซมเมียตาก็เกิดขึ้นยึดมั่นตัวตอนผู้ที่มีนิจจะถือวิปวิป ร, ราตเลยนะวิป ร, ราตในทุกเนาะในความเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขในความไม่งามว่าเป็นของงามแล้วก็ยึดมั่นตัวตนถึงความวิปราตในของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงก็ยึดมั่นตัวตนผู้วิป ร, ราตสี่อย่างเนาะ แม่งงามก็เกี่ยวกันในเรื่องกนู่นไปเข้าข้อแรกนตัณหานี่แหละตัณหามันงามไม่ต้องไปตรงเงินข้านะทุกด้วยคือคือตรงนี้ก็คือบอกว่าเป็นความ กรณีที่ยึดมั่นตัวตนพูดถึงความวิปัสสาทั้ง4อย่างนะอันหนึ่งนี้นะความดําริถึงอาการหนึง่งปุเพนิวาสารนสติญาณสองก็คือดาริเพื่อจะได้ทิพจักขุยานในนาคัตังในานาคตแล้วก็ความยึดมั่นตัวตนของผู้มีดาริดทำทั้งหลายมีส่วนในอดีตและนาคตอิทัปเยตตาสิ่งทั้งวงเป็นปัจจัยแห่งสิ่งนี้เป็นต้นนี่เป็นปฏิจจุบะเป็นความยึดมั่นตัวตนของบุคคลพูดคำหนึงถึงอดีต ในความพอใจเป็นต้นเราเนี่ยนะสรุปตรงนี้คืออย่างนี้คนที่เขาได้ปุเพนิวาสานุสติญานเนี่ยเขาละสักยะทิฏฐิได้เนี่ยละละสักยะทิฏฐิแล้ว น, นี่คนที่ได้ปุเพนิวาสานุสติญานเนี่ยเขามีวิปัสสนาหมายความว่าต้องในภาษาสนานี้นะ ทิฏฐีทั้งหมดอถอนทิฏฐีเพราะเขาเห็นด้วยความเปน็นนามลูกในปุเพนิว า, ารสานุสติยาแต่ทางก็บงังแต่จริงๆจริงๆก็ถือละละที่เป็นอดีต น, นหมดเลยนะละหมดเลยเนะี่ยเพราะถ้าคนได้ปุเพนิว า, ารสานสติยาและจตุปปาติยาแล้วมีไหมที่จะไม่ได้อารยคยาใหญ่ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ต้องเข้าใจใช่ไหต้องต้องเข้าใจตรงนั้น ฉะนั้นแปลว่าวิปาาัสสนาญาณของเขาเนี่ยแน่นอนแล้วจ่อคิวแล้วเนี่ก็ทอนทิฏฐิหกสิบสองนี่แหละฐานบรรดาทิฏฐิเหล่านี้นต่บรรดาทิฏฐิทั้งหลายนี่กระจายเหมือนแต่กว่าจะถึงปุเพนิวารสารนุติยา น, นี่นะแปลว่าวิปัสสนาญาณของท่านพูดนี้เดินในกระแสขันของท่านเหล่านั้นอย่างช่ำชองเล่านั้นไม่ธรรมดาหรอกแล้วเดินเดินได้คล่องมากเอาทําไมถึงคล่องเพราะมียปัญญากําหนดหมายไว้ ใช่ไหมกำหนดหมายว่าจะระลึกชาติได้เท่าไหร่แล้ววิปัสนาญาณก็วิ่งตามตามตามล่องลอยที่อภิญยาเป็นตัวกําหนดขอบเขตให้ลองคิดดูว่าวิปัสนาญาณจะวิ่งหนกได้อย่างคล่องแคล่วขนาดไหนเขาเรียกว่ามีสมาธิมีอภิญญานี่เนี้ ย, เ, ยเป็นตัวกําหนดขอบเขตว่าให้คิดแล้วเขาเรียกว่าเปิดช่องไว้หมดแล้วนั้นวิปัสนาญาณก็แล่นวิจัยเลยวิจัยปัฏฐานะบัญญัติเลยเดยนี้ วิ่งแล่นเลยพูดแล้วสนุกดนะังนันน่าได้อนะความนี้เป็นตัวเป็นตนี้หมดเลยนะเอาวิชาดับความมืดหายความสว่างปรากฏ